ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องแก่นสารของมนุษย์โดยพ่อท่านโพธิรักณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นบััดนี้ถ้าเราสมาพูด ก, กันอีกเรียนกันอีกอเราใช้เวลาเรียนด้วยชีวิต แล้วก็ชีวิตก็ควรจะได้สิ่งนี้เพราะว่าเราเกิดมาเราก็มุ่งหมายที่จะมาเป็นผู้ที่ได้รับความสบายได้รับความสุขหรือว่าไม่มีทุกข์เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้เท่าทันไม่ใช่เป็นผู้ที่หลงไปกับสิ่งที่กระจูงพายางละเมอเพลาพก ถ้าเผอว่าไม่เป็นผู้ที่เสาะสแสวงหาหรือไม่เป็นผู้ที่จะฝ่ายใจในชีวิตคนเราก็จะล่องลอยไปกับกระแสของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาหรือว่าพุตุชนหรือว่าคนธรรมดาสามัญก็จะล่องลอยไปอย่างที่เป็นกันหลงไหลแม้แต่ความสุขก็เป็นความสุขจอมปลอม พยายามสแสวงหาหรือว่าหาสิ่งที่ตนเองเข้าใจป ล, มปลอมๆล้มๆเข้าใจง่ายๆตามที่โลกเขาบอกเขาพาเป็นมาอย่างนี้และได้อย่างนี้มาเป็นอย่างนี้มาอยู่อย่างนี้สบายเป็นความสุขดิ่นรนสิสแสวงสิแล้วก็เหน็ดเหนื่อยหนักหนาะทําให้เราจะต้องทั้งเผาผลาญ ทั้งจดจำแล้วก็สะสมเอปรราปัญญาขี่กะโลโทเป็นปัญญาที่เป็นมายาปลอมๆแปลงใส่ก็เป็นในจิตแล้วก็วันคืนก็ผ่านไปไล่จับเงาหรือว่าเป็นไปตามมายาอย่างนั้นอยู่แล้วแล้ ว, ลวรอดรๆชัวนาตาปีมนุษย์ก็เป็นอยู่อย่างนั้น ถ้าไม่มีพระสมมาสัพธเจ้าที่ชี้โลกุตระอันชัดแจ้งบอกให้เห็นความจริงว่าชีวิตมนุษย์ไม่จำเป็นจะต้องไปที่ใดยถาถมโจมทยานอะไรอยู่ก็อย่างที่เขาเป็นกันอยู่ดังนั้นเอาชีวิตมาศึกษาล้างความเข้าใจเก่าๆเรื่องอุปทานลด ความตต้องการหรือความอยากเสพจากสัมผัสอยากเป็นสุขอย่างโลกโลกเก่าๆอย่างมนุษย์หรือว่าอย่างเคยที่เราเคยเราเป็นมนุษย์อย่างเคยๆที่เป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้มาฝึกปรือไม่ได้มาลดล้างลองดูเราจะไม่เชื่อ ในโลกยังโชคดีอยู่ส่วนหนึ่งที่มีศัจธรรมพวกนี้อยู่จึงพอจะรู้กันพอจะมีทางแสวงหาหรือว่าเดินมาสู่ทิศทางนี้ได้บ้างถ้าโลกไม่มีศัจธรรมนี้ไม่มีจอมศาสดาแต่นค้นพบทิศทางอย่างนี้ไวแล้วก็อธิบายไว้พูดกันบ้างกล่าวกันบ้างอย่างน้อยก็ได้ยินกระส็นกระสาย ไม่ใช่ว่ามืดบอดไม่ใช่ว่าจมทางอยู่ในทางโลกมืดมืดดําๆหนักเข้าเ็ เ, เป็นดํากิสนากันอยู่อย่างนั้นไม่ใช่แต่มันมีทางได้เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้อ่านข่าวหนะังสือพิมพ์ไม่ใช่ข่าวเราเป็นบทความที่เขาเอาอความจริงของประเทศซึ่งมีคนในประเทศนั้น แล้วเขาเป็นอยู่ยังไงเขาเอามาประมวลลงมาขณะนี้ก็ติดอยู่ในแผงอยู่ในกําแพงข่าวเราถ้าใครสนใจดีๆอ่านดูเป็นบทความที่เขาประมวลถึงความรู้สึกหรือบทบาทความเป็นไปของชีวิตในคนประเทศประเทศหนึ่งคือประเทศสวิเดอนคนอยู่ในประเทศสวิเดอนนั้น่ะ เขากำลังเป็นอะไรเขากำลังเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะบา้านเมืองของเขามันมีมากไปมันอยากได้อะไรมันก็ครบพร้อมเงินก็มีเขาของก็มีสมบัติก็มี อ, อิสระเสรีภาพอะไระะไรต่างๆนานาที่เขาเองเขาคิดว่าเขาจะได้ทางด้านวัตถุเป็นอิสระทั้งวัตถุนะ มีแต่ศีลธรรมเลวลงศีลไม่มีคำโกหกเต็มบ้านเต็มเมืองการหลีกเลี่ยงเต็มบ้านเต็มเมืองขึ้นหลีกเลี่ยงอะไรหลีกเลี่ยงจะไม่ทำงานหลีกเลี่ยงสั่นแฝงเอาเปรีย๊ยะอรัดโกหกเซ็กจัดรุนแรงเรื่องกามรุนแรง ทุกคนมีอิสระเสรีภาพที่จะทำอะไรแต่ไรในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสนุกสนานทางด้านโลกโลกีได้เต็มที่แต่เขากำลังทุกกาลังเป็นทุกข์กันเพราะรัฐบาลให้อะไรแต่ไรเขามากเกินไปซึ่งเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นความรู้สึกของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีวัตถุมากเพียงพอ เขาสมบูรณ์ในวัตถุแต่เขาก็เป็นทุกข์เหมือนบ้านเศรษฐีเนี่ยเป็นเศรษฐีมีอะไรพร้อมแต่ไม่รู้จักบทบาทของจิตวิญญาณไม่รู้จักความจริงของจิตวิญญาณไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ไม่รู้บาปไม่รู้บุญไม่รู้ความจริงคืออะไรนี่เป็นโลก อีกโลกหนึ่งหรือเป็นหมู่คนอีกกลุ่มหนึ่งคิดเป็นความจริงเดียวนี้ประเทศหลายประเทศสังคมหลายสังคมเขากำลังดิ้นรนไปสู่จุดนี้ด้รลนไปสู่จุดให้มีวัตถุเปียงพร้อมเพรียงสะพัดกันหมุนเวียนถึงซึ่งจัดโดยกลุ่มผู้บริหารหรือเรียกว่ารัฐบาลรัฐบาลเขาจัดได้ก็าสามารถที่จะทากาแพงภาษีมากพอคนที่ทางานแล้ว ก็เอามาเสียภาษีหรือเอามาให้เข้ากองกลางมีจำนวนมากเพียงพอคนก็จะต้องพยายามถูกอานาจส่วนหนึ่งบังคับให้ทำงานให้เพียงพอเพื่อที่จะเหลือส่วนที่เหลือนั้นไว้กินไม่ใช้นอกนั่นก็จ่ายมาไว้เลี้ยงส่วนกลางเรียกว่าเอามาจ่ายภาษี ผู้จบริหารจัดแบ่งส่วนกลางที่ได้เขากองกลางนี้ก็จัดแบ่งฉเฉลีย่ยออกไปเป็นสวัสดิการหรือออกไปให้แก่ผู้ที่เขาทำไม่เพียงพอ <S <S เพราะนั้นเมื่อส่วนกลางได้รับผลประโยชน์จากพลเมืองมากเพียงพอก็สามารถที่จะสะัปปัตส่วนกลางนี้ออกไปสู่พลเมืองผู้ที่ ขาดแคลนโดยเฉพาะคนที่จัดสรรมาเป็นระดับระดับแล้วว่าเป็นพิการบ้างเป็นคนป่วยคนเจ็บเป็นคนที่ไร้สมรรถภาพคนที่อ่อนแออะไรต่างๆนานาก็เป็นสวัสดิการเป็นการจัดสรรความเสมอภาคหรือว่าความเฉลีย่ยให้ได้ทวนทั่ ว, ถ, ว, ถ, วถึง ก, ก, ก, ก, กันก็เป็นได้จัดการกันจัดสรรกันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในประเทศประเทศสวีเดนเขาเนี่ย ใครจะไม่ทํางานอะไรจะอยู่ชีวิตไปวันๆหนึ่งกินอยู่หลับนอนแล้วแล้วก็มีกินมีอยู่ไปตลอดชีวิตไม่ต้องทําอะไรแต่ต้องตองโกโหกเพราะว่าเขาก็มีหลักการของความจริงเหมือนกันว่าถ้าคนไม่พิการไม่เจ็บป่วยไม่นอนไม่นีอะไรเขาก็จะต้องทํางานจนมีงานมีการเขาหางานให้มีงานให้ใครได้เท่าไหร่ก็เสียภาษีตามที่เป็นนั่นจริงๆ หากขึ้นมาภาษีแพงภาษีตั้งแต่75็ดเปลดหยนลงมาจนกระทั่งถึง40 50ซขึ้นไปภาษีไม่ใช่อย่างที่เราเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ภาษีของเมืองไทยเรานี่ภาษี30มสิบเท่านั้นเองห้าเอร์ซก็แบ่งเฉลีย่ยกันอย่างเกเบียเกษียณทุกอย่างแล้วก็มีทางเลี่ยงกันได้อีกทุกอย่างมากมายไม่เหมือนกัน เขามีวัตถุเพียงพอเขามีอของทรัพยากรในประเทศมากพออุดมสมบูรณ์และเขากพยายามที่จะกระทากันออกมาแล้วก็เฉลีย่ยเรียงดูกันก็สุขสมบูรณ์ดีด้วยวัตถุแต่พวกเราไม่ประเทืองปัญญาไม่เกิดความเจริญตางปัญญามันก็เส็ง ประชาชนหนุ่มสาวของสวีเดนสมัยนี้รุ่นนี้เขาพัฒนามาประมาณห้าสิบปีประเทศสวีเดนเนี่ยพัฒนาประเทศของเขามาห้าสิบปีประชาชนของเขามีอยู่มีกินแต่มีทุกข์และจิตใจของเขาก็เซ็งไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าไม่เจริญไปด้วยคุณแห่งศีลคุณแห่งธรรม ไม่เจริญมีแต่ลดเป็นไปในความโกโหกหมดเท็ดสั่นแฝงเอาเปรียบเอารัดบำรุงการ ม, มารมใครปรารถนาอะไรก็ต้องการอะไรก็พยายามพลิกแปลงทำเอาต่างๆนานาและจะเห็นได้ว่าอิสระเสรีภาพที่แท้จริงนั้นลดลงลดลงจะทำอะไรต่ออะไรก็จะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบริหารคอยดูคอยแลคนนั้นทำนั่นทำนี่นี้จด ทำผิดกฎนอกกฎนอกระเบียบอะไรจะอะไรต่า ง, างๆนานามากมาจุกจิกจูกจก้จี้ไปหมดเขาบอกว่าคนใน ท, ทำไมเกิดมาเป็นคนจะต้องมีคนคอยจดนั่นจู้จี้นี่อะไรจะอะไรต่อเวลานะเขาว่าเั้นพวกคนในที่นั้นจะเป็นความทุกข์ชนิดที่เขาไม่รู้ตัวนี่ชีฟังก็พยายามใช้ความสังเกตอ่านทั้ว่าคนเรานี่มันดิ้นรน ด่นรนพยายามที่จะได้อะไรแต่ออไรขึ้นมาพยายามที่จะมีอะไรแต่ออไรต่างๆนานาซึ่งมีแล้วได้แล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขหรือว่าไม่ได้มีความประเสริฐอะไรนักหนาเพราะทิศทางมันก็มีให้เราเลือกดูความฉลาดได้ทางความคิดเอารัดเอาเปรียบแบบคนธรรมดาส่วนใหญ่ในโลกคิดคือจะต้องมีปัญญามีความสามารถสูง แล้วก็กอบโกยวัตถุไว้เป็นส่วนตัวให้มากๆไม่ต้องไปถูกรับแบ่งเอาไปมากๆตัวเองสามารถที่จะกอบโกยไว้ได้มากๆคืยส่วนตัวเราอยากจะให้ใครก็ค่อยให้ไม่มีสเสน่หะก็ไม่ต้องให้ใครกอบโกยเอารับเอาเปรียบใช้อำนาจริษแรงของวัตถุที่เรามีนี้แลกเปลี่ยนเอาได้หรือฟาดหัวใครก็ได้อย่างนั้น แล้วก็นึกว่านั่ น, นเป็นความสมบูรณ์ภูนสุขของชีวิตเป็นประสบผลสําเร็จหรือบรรลุผลสําเร็จในชีวิตแล้วก็กินสูบดื่มเสพอยู่มีชีวิตอยู่อย่างนั้นไปตลอดตายชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งแล้วก็เอาอย่างกันคนส่วนใหญ่พลเมืองส่วนใหญ่ในโลกเห็นอย่างนั้ น, นเห็นอย่างนั้นและระบบ ในโลกระบบของสังคมของโลกหรือประเทศแต่และประเทศกลุ่มหมู่คนของโลกก็เป็นระบบอย่างนั้นคือเป็นระบบให้ใช้อิสระเสรีภาพในความขยันหมั่นเพียรริดแรงสุจริตใครสามารถมากไม่โกงมีความขยันหมั่นเพียรมีปัญญามีแรงงานมากๆา ก, ากเก่งๆ ก, ก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาได้มีทั้งระบบในการสร้างวัตถุสร้างอะไรนันจริงๆและมีทั้งระบบถ่ายเทเดีวยวการพาณิชย์ นะการพาณิชย์นี่เรียกว่าการถ่ายเทยักย้ยายโดยการใช้ความรู้ทางตัวกลางหรือเอาความจำเป็นของมนุษย์เอาความฉลาดในการที่จะบวกรบคูณหารกำไรขาดทุนอะไรต่างๆนั่นนะและเขาก็สามารถเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยแล้วก็เอาเปรียบเอารัดได้ได้เปรียบมีมากมีวัตถุกินสูบดื่มเสพ แล้วก็พยายามสร้างสร้างในรูปแบบลีลาอะไ ร, ต, รต่างๆขึ้นมาหลอกกันว่าเป็นความสุขได้เต้นก็สุขได้สัมผัสทางรูปอย่างนั้นอย่างนี้สุขได้สัมผัสทางหูอย่างโน้นอย่างนี้สุขทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสเสียษสีหอมล้อมอย่างนั้นสุขสมมติขึ้นมา เป็นรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปพัฒนาไปต่างๆหลากหลายค่อยๆมีกระบวนการมีรูปมีร่างมีผสมผสมผสานที่เรียกว่าศิลปะศิลปะเดี๋ยวนี้อยากจะเรียกว่าศิลป ะ, ะจนกระทั่งคนหมู่หนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาทางธรรมานี่เขาเรียกว่าศิลปะนี่คือความลามก ศิลปะคือความสักปรกเขาเรียกว่าอย่างนั้นแล้วศิลปะนี่คือความสักดิ์โปรกทั้งๆ ท, ที่บูริยเจา้าท่านจัดเอาว่าศิลปะนี่เป็นมุงคลอันอุนดมชนิดหนึ่งแต่มันเพี้ยนเพราะมันได้ปรุงมันได้สังขารมันได้สร้างสรรมันได้พยายามพอกเพิ่ม เอาอะไรมาผสมผสมผสมเสมจนหลุดออกนอกตระกูลศิลปะไปแล้วฟังดีดีอันนี้ศิลปะก็คือสังขารนั่นเองนันปรุงปรุงจนกระทั่งมากไปจนกระทั่งไปหยิบเอาไอ้สิ่งที่ได้เอามาคอยเป็นเปลือกนี่ปรุงจนกระทั่งเปลือกของเปลือกจนกระทั่งได้เปลือกของเปลือกของเปลือกแล้วเอาเปลือกของเปลือกของเปลือกของเปลือกมาปรุงกันจนกระทั่งไม่มีแก่นแล้ว ไม่มีสาระไม่มีแก่นไม่มีเนื้อกลายเป็นปรุงแต่เฉพาะสิ่งพอกสิ่งหุ้มแล้วก็พอกหุ้มไม่รู้กี่ชั้นก็ะกี่ชั้นกลายเป็นตามายาทั้งนั้นเลยหลอกกันเอาของปลอมมาปรุงปลอกกันทั้งหมดหาแก่นไม่ได้หาเนื้อเชื้อม่ได้แล้วเรียกอันนั้นว่าศิลปะชื่อก่ามันยังอยู่ว่าศิลปะแต่ความจริงมันไม่เป็นแล้ว เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปลงไอศิลปหปือเรื่องเรื่องปรุงเรื่องรอกไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเสียงสัมผัสนอกหรือแม้แต่จะไปปรุงทางจิตสร้างมโนโมยอัตตาสร้างอารูปรมยอัตตาสร้างอัตภาพปรามาตามันอะไรต่างๆนานอาอัตามันต่างๆปรามาตามันต่างๆขึ้นมาหลอกกันปรุง เป็นสังขารหรือเป็นศิลปะในการสร้างสร้างมาหลอกกันทั้งนั้นแต่คนทุกวันนี้ก็อาศัยเครื่องหลอกเหล่านั้นเป็นสิ่งสเสวยแกนสารเนื้อหาสาระชีวิตไม่เป็นพฤติกรรมที่มีประโยชน์อะไรชีวิตมนุษย์ทําแต่เพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนอย่าง น, อ น, น, งาน้อนกยก็ทํางานเพื่อได้สัมผัสรูปมาแลกเปลี่ยนเป็นสุขทํางานเพื่อได้สัมผัส เสียงมาแลกเปลี่ยนเป็นสุขทำงานเพื่อได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสกายมาให้แกตนเองแลกเปลี่ยนให้แกตัเองแล้วตนเองได้รับสิ่งเหล่านั้นก็ว่าเป็นสุขนี่ถ้าอย่างนั้ น, นไม่ใช่ทำงานเพื่อ ง, งานทำงานเพื่อสร้างสรรไปให้คนได้รับและก็เจาะลงไป ถ, งถึงว่ามนุษย์นี่จะได้ความประเสริฐหรือว่าได้แก่นสารอะไรไม่รู้ไม่เข้าใจแล้ว มันมันฟ้ามหรือว่ามันหลวมมันออกมาข้างนอกกันจนกลายเป็นชีวิตที่หวงเหวงเป็นชีวิตที่เหมือนลูกปิงปองกลวงในเบาๆลอยๆงั้นลมๆฟ้องๆไม่มีน้ำหนักไม่มีเนื้อหาสาระเพรา ะ, ะนั้นการทำงานจึงไรสาระไม่ใช่ทำงานเพื่อพัฒนามนุษย์ ไม่ใช่ทำงานเพื่อที่จะให้มนุษย์นี้อยู่อยู่กันอย่างสันติภาพมีความสุขเย็นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเป็นเลือดเนื้อเดียวกันมีความเป็นอยู่อย่างเอ็นดูปราณีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นการสร้างให้มนุษย์อยู่กันอย่างแก่งแย่งเห็นเกตตัวเอาเปรียบเอารับจิตมันก็ จะวิญญาณก็กลายเป็นจิตโลกจิตโทสะแล้วก็เป็นจิตที่สั่งสมไปด้วยราคะราคะนี่เป็นกิเลสรากเงาถ้าเป็นลักษณะต้องการไม่แก่ตนมากท่านเรียกว่าโลกทราคะที่ต้องการพลักแรงแรงท่านเรียกว่าโทสะ ราคะนี่คือรากของเหงาของกิเลส้นเข้าของกิเลสผลักหรือดูดอยู่ในตัวเมื่อราคะแรงๆมันก็เป็นเชื้อที่ไม่ปลดปล่อยแม้แต่จะผลักออกก็คือการไม่ปลดปล่อยในการไม่หมดพยาบาทยังพยาบาทอยู่เจอหน้ากันเมื่อไรก็ฟาดฟันนั่นคือราคะชนิดพยาบาท ราคะชนิดราคชนิดไม่ปลดปล่อยแม้แต่ความพยายามความโทสะอันร้ายกาดนั่นเองไม่ปลดปล่อยนีเรียกว่าราคะเพียะนั้นถ้าเพราะว่าเราไม่มาเรียนรู้ในบทบาทของจิตหรือว่าความเป็นกิเลส ข, ของจิตในลักษณะทั้งราคะโลภโทสะแล้วไม่มารู้ความจริงก็เป็นโมหะเป็นความหลง หลงผิดเป็นถูกหลงสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเป็นความจริงก็หลงอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอว่าเราได้เรียนรู้ได้แสวงหาแล้วก็ได้มาปลดปล่อยสิ่งที่มันฟ้ามสิ่งที่มันเป็นของไม่จริงมาไต่เรียงมาจนกระทั่งเราได้กล้าหาญชาญชัยเป็นคนที่อีกชนิดหนึ่งมาจนป่านนี้นะ เนี่ยเราได้ผลิตตนได้พยายามกระทําตนสั่งสมตนให้ตัวเราเองเนี่ยมีชีวิตก็เป็นสุขกับเขาเป็นสุขคืออะไรเป็นสุขก็คือไม่เดือดร้อนใจแล้วก็มีวัตถุเข้ามาสังเคราะห์ชีวิตเอาไว้อยู่ผ่านวันคืนเป็นไปอยู่อย่างสมบูรณ์ คำว่าสมบูรณ์คำนี้ไม่ได้หมายความว่าใหญ่เกินมากเกินไม่ใช่อย่างนั้นสมบูรณ์คำนี้หมายความว่าพอดีชีวิตร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าไม่เจ็บป่วยไม่อพาสาสมบูรณ์ก็คือเอกเอกาสนลิงกะ หมายความว่าเป็นผู้ที่ได้อาหารอันเอกนั่งอยู่บนฐานอันเอกเอกาสนิงกันนั่งอยู่บนฐานอันเอกสถิตแท่านอันยอดเยี่ยมแล้วได้อาหารอันเอกได้อาหารอันเอกเราแปลนี่ คนเรานี่สแสวงหาอาหารแล้วก็มีอาหารมาสังเคราะห์ชีวิตเมื่อได้สิ่งที่มารองรับชีวิตทางด้านวัตถุเราก็มีวัตถุนั้นมาสังเคราะห์สบายอาหารสําคัญก็ได้แก่อากาศกับอาหารที่เข้าไปสังเคราะห์ทางปากแล้วก็รับเข้าไปแล้วแม้อากาศจะเป็นพิษ มากแล้วแต่อากาศก็ยังพอที่จะกรองเอามันยังมากฟรีก็กรองเอามันเป็นพิษไปทั่วก็เลือกเฟ้นเอาที่ใครจะเอาอากาศบรรยากาศไหนใครมีใจละเอียดสามารถอ่านได้ก็เอาเลือกเอาอากาศที่เป็นพิษมากเป็นพิษน้อยมันก็ใช้อะที่จริงมันก็ฟอกมันก็ใช้พลังงานมากน่อยถ้ามันเป็นพิษมากมันก็สังเคราะห์มากน่อย พิดมากมันก็ขับพิษออกมันก็ใช้พลังงานไปส่วนหนึ่งถ้าอากาศมันสดมันก็ได้อากาศสดมากการที่จะต้องขับพิษออกก็น้อยก็ใช้พลังงานขับดันหรือว่าสังคเคอราะห์อากาศดีไว้ใช้ก็ใช้พลังงานน้อยมันก็เป็ดเปลืองเท่าไหร่แม้แต่อาหารที่กินเข้าไปอาหารที่เอาไปเลี้ยงร่างกายพอเหมาะพอดี แม้แต่สิ่งที่ใช้ประกอบเป็นข้างนอกเลยเป็นเครื่องบริโภคนอกเป็นเครื่องหนุงหม่มเป็นที่อยู่หรือเครื่องใช้ไม้สอยเราก็ไม่หลงสังขารไม่หลงก็ปรุงเ็สร้างเขาแต่งมาหลอกมาล่อไม่หอบไม่หามไม่หลงว่ามันเป็นสุขเพราะได้มามากได้มาประดับเกียรติประดับชีวิตแม้แต่บ้านก็จะต้องเอาหลังใหญ่ ระดับชูช่ออะไรเยอะๆแล้วก็อวดอ้างเขานึกว่านี่เราเป็นสุขเป็นผลสำเร็จของชีวิตอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องมันยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งรักษายากแล้วมันยิ่งต้องไปจ้างคนมากวาดมาปัดมาเช็ดมาถูดูแลอะไรต่างๆนานาสารพัด ส, สารพเพที่จะต้องเป็นภาระไม่เข้าใจความจรงิงอันนี้คนยิ่งเกิดมามากมันก็ยิ่งแย่งที่อยู่แย่งวัตถุ เราแย่งกันไปแล้วก็ยังมีตัวอย่างที่จะต้องไปโออาอวดอ้างกันใครยิ่งใหญ่คนนั้นยิ่งชมกันว่าเก่งเราเป็นคนอีกหมู่หนึ่งที่จะบอกว่าคนที่ไปแย่งสร้างบ้านใหญ่ๆแข่งกันน่นไม่ใช่เก่งบ้าเราก็พูดแรงๆกันหน่อยมันบ้าถ้าไม่พูดกันอย่างนี้ไม่หยุดนะไม่หยุดเมื่อไม่หยุดแล้วเป็นยังไงวัตถุน้อยลง ต้นหมารากไม้ ก, ก็ไปตัดมันมา ก, กันจนกระทั่งมันเกิดไม่ทันน้ำท่าก็ไม่มีที่จะอยู่กันแล้วแต่ก่อนนี้น้ำอาศัยอยู่ในใบไม้ใบหญ้าหมุนเวียนเป็นธรรมชาติเดี๋ยวนี้น้ำมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ก็อยู่ในโลกนี่แหละไม่มีที่จะอยู่มันแทนที่มันจะไปสังเคราะห์อยู่ตามใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้กิ่งหญ้าอยู่กับพื้นดินอะไรจะไรสังเคราะห์หมุนเวียนกระจายมีพลังงานธรรมชาติจากต้นไม้สพัฒสังเคราะห์แปร ธาตุต่างๆเป็นอากาศเป็นไอน้าเป็นอากาศชนิดนั้นชนิดนี้ต่างๆนา น, นาไม่แล้วไม่มีและต้นไม้ก็ลดน้อยลงการสพัดต่อบรรยากาศหมุนเวียนโคจรกันอยู่เปลี่ยนแปลงไปหมดน้ำาา่าก็จะท่วมเอาอากาศก็แปรปรวนไปการสังเคราะห์ อ, อากาศโดยเครื่องจักรธรรมชาติโดยดินโดยต้นไม้โดยพืชโดยสัตว์โดยคน แปรวปนหมดนั่นนี่พูดไปก็ยิ่งเยอะเมื่อไม่รู้ทุกอย่างมันก็เผาผลาญลงมาการสัพพัดไม่เท่าไม่ทันมันก็ยิ่งแย่ลงแกนสารของโลกแกนสารของชีวิตถูกทําลายไปหมดเรามาเป็นผู้ที่รู้ก่อนแล้วก็พยายามจัดสรรระบบธรรมชาติระบบที่เป็นอยู่อย่างดีโดยเราพยายามไม่ผลานลง อุดหนุนสันสร้างขึ้นให้รักต้นไม้ให้บำรุงต้นไม้เพื่อนสัตว์โลกก็ให้เขาเกิดให้เขาเป็นให้เขามีเพราะสัตว์โลกแต่ราชนิดก็คือโรงงานก็คือสิ่งที่สังเคราะห์บรรยากาศของโลกแต่ละระดับแต่ละอย่างไม่เหมือนกันและมันก็จะสะพัดมันก็จะกรองสิ่งหนึ่งเก็บเอาสิ่งหนึ่งไปถ่ายเอาสิ่งหนึ่งออกมาอยู่ในโลกอะ มันก็จะเกิดการหมุนเวียนที่พอดีของโลกเขาไม่รู้เขาก็ทําลายกันเอามาสร้างบานสร้างเรือนเอามาทำโน่นทนํานี่เอามันมากินสักเก่งเลยเดี๋ยวนี้สัตว์อะไรก็จะไม่มีให้กินละหนักข้าวต่อไปมันก็มีแต่คนนี่แหละล้นโลกแล้วมันจะกินอะไรมันก็กินคนตอนนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกต่อไปในอ น, นาคตมันก็ไม่มีอะไรจะกินมันก็กินคนจะกินอะไร สัตว์มันก็ฆ่ากันตายหมดต้นไม้มันก็เอามาต้นไม่มีไม่มีอะไรจะกินหนักเข้ากินกินคนกินหญ้าปลูกหญ้ากินโตโ ต, โตเร็วหน่อยพื้นที่ก็น้อยลงน้อยลงพอเอาไปเล่นอะไรกันซะเยอะลหลงไหลกันไปพวกที่มีทุนมีรอยมีเรี่ยวมีแรงก็กอบโกยไปเอ า, ป เ, อาปเป็นป่าเป็นรกอะไรไปไม่เข้าเรื่องของเราใครไปแตะต้องป่ารกนั้นก็ไม่ได้ซะด้วยความกระเบียกก็เสียนความแข่งแย่งเพราะ การไม่รู้ทําลายวัตถุโลกลงไปมากๆมันก็น้อยลงมันเรามารู้แก่นสารของชีวิตเรามาอยู่มันมีสุขโดยรู้ว่าอารมณ์จิตเราไม่ต้องไปถูกหลอกว่าจะต้องไปสร้างอารมณ์จิตเป็นวิมานบา้บาๆบอๆเป็นเรื่องเหลวไหลอย่างที่เขาพาหลอกกันมีชีวิตอยู่จะต้องทําอารมณ์อย่างนี้นะจะต้องสร้างวิมานอย่างนี้เลยอุปทานจิตสร้างอุปทานหลงๆอย่างเขาหลอก จะต้องมีอารมณ์อย่างนี้จะต้องคิดอย่างนี้จะต้องเป็นจิตอย่างนี้อย่างนี้อยู่กับเขาในโลกเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ต้องไปสร้างจิตที่จะต้องเป็นอารมณ์อย่างที่เขาเป็นในโลกเราพอแล้วมีสันโดษไม่ต้องไปหัวเราะเอิบอาจ้างเอาเงินไปจ้างให้เขามาตลกให้เราหัวเราะต้องไปเสพอารมณ์ดูการบันเทิงอย่างน้น อ, อย่างนี้เพื่อที่จะเทียบเคียงกับระบบชีวิตของเราว่าโอ้ชีวิตของเราเนี่ย ยังไม่ได้ปรุงไม่ได้สร้างเท่าเขานะเขาก็ทําเป็นตัวอย่างเป็นนิทานเป็นนิยายอะไรมาหลอกว่าเห็นไหมในคนนี้เป็นสุขอย่างงี้คนนี้รู้ราอย่างงี้คนนี้รุ่มรวยอย่างนี้คนนี้เสพอร่อยอย่างงี้เป็นตัวอย่างต่างๆนานาหาแง่หาเงื่อนจับแง่จับเงื่อนต่างๆที่เป็นรสชาติของโลกที่เขาสังขารปรุงเอามัปฏิปต่อทําเป็นหนังอย่างงี้มันอย่างนี้อร่อยอย่างนี้เราไม่ได้เขานะเราก็ไม่รู้ตัวก็าเป็นรับเข้ามาก็มาคิดฝันฝันหวาน เอเราได้เป็นอย่างเขามังก็จะดีแคเราถ้าได้อย่างง้นปังก็จะดีฮะอย่างนี้มังก็จะดีไหมรับมันมาโดยเขาเก็บประมวลเอาไอ้อะไรที่เขาสังขารที่ปรุงน้ามาหนังนี่มันเก็บเอาแต่ไอ้เรื่องที่มาเป็นรถเอาแต่ไอ้เรื่องที่มาเป็นรถสนญยักของโลกมาประมวลไว้จัดจัดจาน จ, จ, จเป็นตัวอย่างใครไปนั่งดูหนังมันก็คือไปรับกระแสที่เขาประมวล กระแสสังขารทีเขประมวลเป็นรถของโลกเป็นอัศสาธ่ของโลกเอามาใส่ใสๆไว้แล้วก็ไปรับเอามาพอไปนั่งดูก็นี่เป็นรถจัดไปในทางโทสะนี่รถจัดไปในทางราคะหรือโลภะนี่รถจัดไปในทางโมหะก็ไปประมวลรับกระแสเข้ามาเรื่อยแล้วก็มาสั่งสมไว้ในใจเป็นเชื้อเหมือนเชื้อหมักแล้วก็ออก ค่อยๆออกฤทธิ์ออกฤทธิ์เรายังไม่ได้เว้ยเรายังไม่เคยได้อย่างนี้ถึงโอกาสตอนนี้เราชักมีเงินตอนนี้เราชักมีแรงเอามั่งเราวะตอนนี้ยังไม่มีแรงหาเงินหาทองก่อนสะสมกอบกลยมาให้ได้เร่งเข้าเร่งเข้าดูดเอาเงินเอาทองเอาเข้าวเอาของวัตถุที่จะมีฤทธิ์มีอำนาจเข้ามากอบไว้ให้ได้มากๆพอได้แล้วจะได้เอาเป็นแลกเอาไปเตอนนี้ชักถึงแล้วตอนนี้ยังไม่ถึงก็ไม่เหิมหานอ่ะหมาเราอยากได้เศษไอ้นนท์ไอ้นี่ที่เขาสร้างหลอกล่อเอาไว้เป็น สังขารปรุงเป็นเครื่องที่เขาเอามาใส่ไว้ในจิตเรายังไม่มีแรงเราก็ไม่อาจหาแหละเรายังไม่มีเงินพอเรายังไม่มีฐานะพอเราก็ยังไม่อยากได้แหละพอรูอยู่ว่าถึงอยากได้ไปก็เป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่มีสมบัติพอเราไม่มีเรี่ยวแรงพอจนกว่าจะลืมตาอ้าปากได้พอสมควรเอาเราว่าตอนนี้เราได้แล้ว เ, เงินเราก็พอเรี่ยวแรงเราก็พออานาจเราก็พอเอามันละว้วย ไอสิ่งที่มันหมักอยู่ในใจดองอยู่ในใจที่เคยไปถูกเขาเรียกว่าฉาพอกตราตรึงเอาไว้เป็นนิมานารดีเป็นมันก็ขึ้นปรนิมิตวสวรตีแล้วท่นนี้เป็นตราใจตรึงใจทีนี้มันก็ขึ้นเลยทีนี้อํานาจออกเลยปรนิป ร, น, ปรนิมิตวสวรตีนี่หมายความว่ามันจะต้องเอามาให้ได้ดังใจคือตัวนิมานารดีคือตัว อาสวะหรืออนุัยหรืออุปทานที่ก้นบึ้งจิตไปรับมาเนี่ยมันออกคลิ์แรงจะต้องให้ได้มาโดยอำนาจปรินิมิตวสวัติไออย่างนั้นแหละอย่างใดที่ยังไม่เคยได้หรืออย่างใดที่ตราใจเอาไว้ว่ามันต้องได้ไวชาติในชาตินึงเมื่อไรเมื่อไรก็ตามสักเวลาใดเวลาหนึ่งฉันจะต้องเอาอย่างนี้ให้ได้มันไม่หายไปมันเป็นตราใจเรียกว่าอุปทานจิตหรือวิมานในใจ คุณก็มีวิมานนั้นอยู่ไม่เลือนหายไปไม่หายแล้วถ้าไม่ได้เรียนสัจธรรมให้หายคะับทเรียนสัจธรรมเราถึงจะรู้เท่าทันแล้วก็เลิกแม้ขนาะนั้นคุณยังมาล้างตราใจที่มันอยู่ในใจของคุณนี่อาสวะและอนุสัยนี่ต่างมากกว่ามากของใหม่เรารู้แล้วเราไม่ไปสั่งสมเราไม่ไปถูกหลอกมาอีกของเก่าก็ล้างไปล้างไปล้างไปวันหนึ่งก็หมดถ้ามันรู้ทิศทางมันรู้หลักการแล้วแน่นอน นี่ไม่รู้เรื่องเลยของเก่าก็ยังไม่ล้างยังไปเอาของใหม่มาหมักเขาไปอีกหมักเขาไปอีกหม er, ักเขาไปอีกคุณจะเออเกิดอีกกี่ชาติเลยคุณถึงจะได้สมใจหมดนะคุณลองคิดดูทีคุณจะเกิดอีกกี่ชาติมันถึงจะสมใจหมดของเก่ามันก็ยังล้างไม่หมดเลยมันยังสะสมหรือมันยังได้มาสมใจยังไม่ครบครันเลยของใหม่ ย, ยังไปรับเอามาอีกรับเอามาอีกจะต้องเอาอย่างนั้นจะต้องเอาอย่างนี้จะต้องวิเศษอย่างโ น, น้นอย่างนั้นอะไรต่างๆนั้นนานอู้นานาสารพันตายน ชีวิตนี้จะต้องใช้หนี้กันไปอีกกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติวนเวียนเข้าใจให้ดีนะว่าศาสน า, าพุทธนี่ไม่ใช่ศาสนาอุเฉ ท, ทิฏฐิไม่ใช่ศาสน า, าที่ไม่รู้จักการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นความรู้ที่แท้จริงว่าคนนี่มันเวียนว่ายตายเกิดสังสมไปด้วยอุปทานสังสมไปด้วยจิตวิญญาณเป็นรากเงาและสามารถที่จะอุเฉได้สามารถที่จะศูญชีวิตจะ สุดสิ้นเป็นอรหันต์ปลายสุดสมบูรณ์ไม่เกิดอีกได้ตลอดสามารถดับธาตุวิญญาณได้สนิทแน่แท้มีศูนย์และมีสืบต่อไม่ใช่ว่าตายแล้วชาติเดียวนี้ล้วศูนย์เลยไม่ใช่ไม่มีอะไรเกิดต่อไม่ใช่เกิดต่อ แต่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างที่คนไม่รู้ความจริงไปเพลอพกกันอยู่มันมีองค์ประกอบในการประชุมอีกมากเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่คิดยากแต่มันก็เป็นการสั่งสมเป็นบุญบารมีเป็นกรรมเป็นมีบาคมีจริงเพราะนัะ้นตายศูนย์ไม่ใช่ตายเกิดก็ไม่ได้เกิดอย่างที่เราคิดอีกที่ถูก อธิบายที่ถูกเสี่ยมสอนมาอย่างไม่เข้าท่าไม่ใช่ไม่ใช่สัสตะอย่างที่เราเข้าใจและไม่ใช่อุเฉไม่ใช่ตายศูนย์แล้วก็ไม่ใช่ตายเกิดแบบที่เราเข้าใจอีกเพราะโดยเราเคยถูกอาจารย์หรือผู้ที่โดนๆดนเดาๆหลอกมาเยอะแล้วมันเป็นอจินไตเป็นเรื่องที่เกินคาดเกินคิดเพราะมันมีส่วนผสมที่มากกว่าที่เรารู้ คนที่รู้ได้แค่ส่วนผสมส่วนหนึ่งแล้วเอามาส่วนผสมแล้วก็เป็นคนพิการเมื่อพูดเรื่องพิการพิการให้เราฟังกันเพราะงั้นอย่าไปพูดผู้รู้แล้วไม่พูดหรอกเพราะผู้รู้นั้นก็ยังรู้กันไม่ครบถ้วนถึงรู้ครบถ้วนก็อย่างพระพุทธเจ้าเราถือว่าท่านรู้จริงถ้าก็ยังไม่ค่อยพูดเลยขนาดผู้รู้จริงท่านยังไม่ค่อยพูดและเราไม่รู้จริงอยไปพูดทําไมพูดให้บาปากทําไม นอกจากกิเลสอวดดีอยากอวดดีทั้งๆที่ดียังไม่ครบคันขีกรโลโทรแล้วมาพูดเพราะงั้นอาจินตายเรยว่าวิบากกรรมวิบากนี่คนที่เขารู้รู้ดีแล้วเข้าใจดีแล้วเขาไม่พูดหลอกเขาไม่ค่อยขยายความหรอกขยายไปทำไมเพราะมันเป็นเรื่องจริงคนเราทำชั่วเนี่ยผลวิบากมันก็เป็นชั่วคนเราทำดีเนี่ยผลวิบากมันก็เป็นดีแล้วเข้าใจง่ายๆงี้จะได้ เพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาปัจจุบันนี้ว่าสิ่งนี้ดีจริงหรือไม่ดีจริงสิ่งนี้ชั่วจริงหรือไม่ชั่วจริงถ้าสิ่งนี้ชั่วจริงพิสูจน์ได้แล้วเราเลิกให้สนิทไปเลยอันนี้ดีจริงทำไปเลยทำดีจริงพิจารณาให้ชัดแม้เราทำนี้ว่าดีแล้วเนี่ยมันมีส่วนหลงอยู่หรือเปล่าถ้าหลงก็แก้อีกให้มันดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นแล้วก็ทาดีนี้ไปเรื่อย ในสวนไม่ดีทิ้งมันให้ดีชัดๆไปเรื่อยๆที่เป็นหลักการง่ายๆของชีวิตผู้นี้เชื่อ ก, กรรมที่พูดเนี่ยผู้ผู้ใดเชื่อกรรมก็จะอย่างนี้จริงๆไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังกรรมมันเป็นวิบากทั้งหมดตรงทั้งหมดคุณจะทําต่อหน้าคนหรือคุณจะทํารับหลังคนกรรมเป็นชั่วก็ชัว่วกรรมเป็นดีก็ดีเป็นของจริงศาสนาพุทธนเน้นและเกินเรื่องกรรม ทำดีดีทำชั่วช่วไม่ว่าต่อหน้าและรับหลังไม่มีความลับกรรมไม่มีความลับถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆก็เลี่ยงรับหลังก็ทำกรรมชั่วต่อหน้าคนก็ทำกรรมดีแบบนั้นทำเอาหน้ากิเลสทำเบ่งเอาหน้าต่อหน้าทำเอาดีรับหลังก็ทำชั่ว คนไม่เข้าใจกรรมที่แท้คนเข้าใจกรรมที่แท้ต่อหน้าและรับหลังก็ทำดีชั่วต่อหน้าหรือรับหลังไม่ทำแม้ใครไม่เห็นก็ไม่ทำชั่วเพราะมันเป็นกรรมไม่ดีแล้วมันกรรมเป็นมรด ok, กกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเรื่องสืบต่อกรรมมทายาโทกรรมเป็นตัวเกิดกรรมโยนิ กรรมพันธุมันจะสัมพันธ์กันไปมันจะต่อกันไปก็เรื่องของกรรมทั้งสิน้นกรรมปฏิสนโนแล้วเราก็อาศัยนิรกรรมนี่แหละจะเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นดีเป็นชั่วจะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐก็อยู่ที่กรรมเนี่ยปฏิสนโนพึ่งอันนี้อาศัยอันนี้ถ้าคนที่เห็นแนะ่เห็นแนะ่เห็นแท้เห็นจริงในเรื่องของกรรมแล้วนะจะพิจารณากรรมเท่านั้นพิจารณากรรมตั้งแต่เราจะพูดจะเดินจะเหินจะ กินจะอยู่จะไปจะมาจะคิดจะนึกแม้แต่ความคิดเราก็จะรู้ละเอียดไปจนถึงความคิดโอ้นี่เราคิดไม่ดีแล้วเราไม่เอาอ่ะแม้แต่คิดมันก็เป็นจริงอะเริ่มสั่งสมความคิดที่เลวละไม่เอาอะคนจะละเอียดไปถึงอย่างนั้นแล้วเราจะยับยั้งแม้แต่ความนึกคิดว่าคิดไปในทางไม่ดีไม่เอาคิดในทางดีก็คิดแล้วก็สร้างสรรค์เต่าทีิทาทำได้ไม่จะคิดฟุ้งซ่าน ไม่จะคิดเกินการคิดใหญ่เกินตัวคิดมากคิดไม่ไม่คิดแล้วก็ทำได้แล้วก็ทำไปสร้างสรรไปสิ่งที่อาศัยในชีวิตนั้นไม่ใช่ใหญ่ใช่โตอะไรมากมายนักแต่คนมันคิดมากจนกระทั่งมันฟุ้งซ่านมันคิดจนเลยเถิดคิดจนเกินการคิดจนเผาจนผลานคิดอวดเก่งอย่างนั้นมันก็เพ้อพกเฟ้อไปมากมาย เมื่อเรามารู้แก่นสารแล้วเรามารู้ว่าเราทำดีสิ่งที่ไม่เป็นไปได้ราคะไม่เป็นไปได้โลภะไม่เป็นไปได้โทสะแล้วก็รู้แก่นสารไม่หลงบ้าหลงบออะไรมากมายไม่โมหะเราก็สร้างสรรไปแค่นี้แหละวันคืนแล้วก็สบายจิตใจเราก็มีอาหารเสรบที่สบายเป็นความประเสริฐของมนุษย์เป็นแก่นสาร เราไม่โลภมันไม่ใช่ความเสียหายแต่เราไม่ใช่คนขี้เกียจไม่โลภแต่เป็นคนขยันมันเพียรสร้างสรรค์รู้จักสาระแก่นสารของชีวิตวันคืนก็ผ่านไปมันจะเป็นอะไรวันคืนมันก็วันกลางวันก็คือกลางวันกลางคืนเวลาจะพักเราก็พักพอสมควรรู้เวลารับหลับเวลานอนเวลาตื่นรู้กลางวันรู้กลางคืนรู้พักรู้เพียรรู้วันหมุนเวียนไป มีกินมีอยู่ก็อย่างนี้เราไม่ได้ริษยาใครใครจะกินหรูกินรากินปรุงกินแต่งกินสร้างกินสรรที่หลอกกันไม่สังขารอย่างโน้นนั่ต้องกินอย่างนี้ต้องแต่งตัวอย่างงนต้องมีอย่างงี้ต้องเฉิดฉายง้นต้องไปดิ้นดอกแตกอย่างงี้ต้องไปประกวดประขันกันอย่างนั้นอย่างนี้มีการพนันทางหัวใจกันแบบนั้นแบบนี้เราไม่มีเรามีแต่ว่าเราจะสร้างสรรเป็นประโยชน์ถ้าจะแข่งมาแข่งเมตตามาแข่งใจดีมาแข่งเกื้อกูลมาแข่งความขยันมันเพียรอย่างนี้ ยังเข้าท่ากว่านะถ้าจะแข่งแต่แข่งแล้วมันทะเลาะถ้าแข่งแล้วมันก็เอาดีเอาชนะไม่งั้นมันเอาชนะมันก็ทะเลาะกันมันก็มีกิเลสมานะยิ่งใหญ่มันก็ไม่ดีอีกแหละซ่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแม้เรารู้ทิศทางบ้างว่าเราจะมามีชีวิตอยู่อย่างที่มาสร้างสารรค์กุศลและก็ทํากุศลแข่งกันมันก็ยังดีกว่าไปสร้างอกุศลแข่งกัน คนไม่รู้ว่าอากุศลคืออะไรเลยเธอไปเป็นอกุศลเท่าไหรเท่าไรไม่รู้ทุกวันนี้เมื่อเราลดลดอกุศลอย่างหยาบลดมาลดมามาสร้างกุศลนี้จะใช้คำว่าแข่งกันบ้างมันก็ยังไม่กระไรแต่ถ้าแข่งกันมากๆแล้วมันจะทะเลาะกันเพราะฉะนั้นเราก็มาเรียนรู้มาแข่งสร้างดีแล้วก็มาเรียนรู้ว่าอย่าแข่งกันเลยดีกว่าต่างคนต่างทาให้ได้ไป เป็นตัวอย่างกันเราทําได้มากๆมันก็เป็นตัวอย่างกับคนอื่นเป็นพี่ใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีความสามารถมีสมรรถภาพก็ทําได้ไม่ต้องเป็นหลงตัวใหญ่เราทําได้มากเราเก่งเราเบ่ ง, เ ร, เ, งเราใหญ่แออาใช้อํานาจคมขีฟาดฟันคนอื่นมากนักอย่างนั้นอย่าทําถ้าเราทําได้มากๆดีมากๆคนอื่น <c oughs> เขาก็เคารพนับถือเราเองเขาไม่เคารพนับถือเราก็เป็นเรื่องของเขาคนที่รู้ว่าการเคารพนับถือคนดี การเคารพนับถือคนที่มีคุณค่าคนที่มีประโยชน์มากนั่นเป็นกุศลแท้อันหนึ่งเป็นมงคลอันอุ ด, ดมเป็นความดีงามนะเขาก็จะรู้เองแล้วมันก็จะเป็นระบบที่ซอนซอนซอนซอนซอนแนะนำกันเชิดชูกันซ้อนเข้าไปคนก็จะรู้จักแจ่นสารและก็ทำในสิ่งประเสริฐ นี่พฤติกรรมในชีวิตเกิดมาวันหนึ่งคือหนึ่งไปแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแล้วก็ตายทีนี้พฤติกรรมของคนที่ศึกษาคนที่รู้ธาตุจริงคนที่รู้แก่นสารจริงคนที่รู้ชีวิตที่ดีจริงก็จะมีพฤติกรรมของตัวเองนี่เป็นตัวอย่างไปงี้แล้วก็ตายไปคนที่อยู่ในกลุ่มนี้สังคมนี้เห็นด้วยกันอย่างนี้ก็ช่วยกันทาอย่างนี้ก็เป็นไปเป็นกลุ่มเป็นหมู่ไปเป็นตัวอย่าง คนที่สแสวงหาคนที่เขาทุกข์ร้อนเขาก็พยายามสแสวงหาความสุขที่จริงหรือความเจริญที่แท้เขาก็สแสวงหากันไปคนหมูห่ไหนแสดงได้ก็ทําคนหมูห่ไหนแสดงเนื้อหาแก่นสารสาระได้ดีก็ทําทําไว้ชีวิตเราก็ได้อาศัยไปด้วยกันเราได้ก่อนเขาเราก็อาศัยไปคนเราก็เกิดมาแล้วก็ตัตาตายแล้วก็เป็นอย่างไั้นน่ยจะตาย แลวชั่วชีวิตที่จะตายเราก็สบายแล้วคุณได้เสียเปรียบอะไรคุณกินรูปน้อยรูปไม่โชงชางเหมือนเขารถน้อยรถไม่โชงชางเหมือนเขาคุณเสียเปรียบจริงหรือคุณได้กินรูพรถกิงเสียงคุณได้เสียสิ่งเหล่านั้นหรูหรามู่วฝ้ากว่าเขาคุณได้เปรียบจริงหรือ้ อ, องคิดดูมันไม่จริงหรอก มันได้เพียงว่ามันเป็นเครื่องอ่อยเครื่องล่อชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทำให้เราสวาปามเข้าไปมากซะด้วยรูปดีก็ปสวาปามมารูปมากๆ ก, กลิ่นดีรสดีเสียงดีก็สวาปามามามอง ม, มา ก, มากนักเข้ากอบโกยหอบเอาไว้ข้างในก็ไม่พอหอบไปข้างนอกอีกไอตัวก็บรเรบลาป่องนั่นพองนี่อ้วนนั่นอ้วนนี่ปูดนั่นปูดนี่แล้วยังไม่พอ ข้างนอกกับสร้างโกดังไว้สร้างนนนี่ไว้เอาไว้บ้านหลายหลหลังโกดังหลายหลที่ดูยุ่งไปหมดหอบหวงและตายไปแล้วไม่เห็นมันเหลืออะไรก็มีแต่จิตที่สร้างอุปทานกิเลสของข้าของข้าพอเกิด ม, มาก็ของข้าทั้งนั้นอะไรก็ของข้าติดจิตวิ ญ, ญญาณไปเดิไประรานเขาลุกรานเขาเอาของเขามาของคนอื่นก็ไปเที่ปปล้นจี้แข่งแย่งเอามานึกว่าของตัว เพราะว่าจิตมันยังมีรอยเหลือนึ ก, กว่าของเราทั้งนั้นอะไรอะไรก็จะของเราทั้งนั้นเลยโลภโมโทสันโลภมากโลภไมยตายถูกฆ่าถูกแกงไปนับชาตินับชีวิตนักหนานเหน็ดเหนื่อยมากแต่คนไม่รู้เท่าทันไม่เข้าใจเรามาสร้างสร้างไปเถอะขยันสร้างก็เป็นความเคยชินชนิดหนึ่ง สร้างแล้วก็แจกจ่ายก็เป็นความเคยชินชนิดสร้างแจกจ่ายก็เป็นคุณธรรมเป็นจิตวิญญาณที่สั่งสมไปอีกชาตินี้ก็ส่งสมชาติน้าก็สั่งสมอีกสร้างแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็รู้แก่นสารสาระของชีวิตติดแท้โอ้ยแก่นสารสาระมันไม่มากแก่นที่เลี้ยงชีวิตชีวิตนี้มันเลี้ยงง่ายนะมันก็จะรู้ความสมบูรณ์ความพอแล้วความไม่ต้องโลโบโทสันบมรุงไว้ง่าย เป็นคนเลี่ยงง่ายสุโปศสุภะไม่ใช่สุโปศเลี้ยงง่ายสุโปะเลี่ยงง่ายสุภะสุพระโรบารุงง่ายให้สุภะเลี้ยงง่ายสุโปศบํารุงง่ายเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบํารุงง่ายเป็นคนมักน้อยอปิจฌเป็นคนสันโดษสันตุิ เป็นจริงๆริเป็นจริงๆเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนขัดเกลาเป็นอย่างที่เราได้พูดกันมาแล้วน <ะ S 1> จนลงท้ายข้อสุดท้ายเป็นคนไม่สะสมอปจยะและวิริยารำพักเป็นคนที่ไม่สะสมอปจยะไม่กอบโกยไม่กักเก็บ แล้วก็เป็นคนที่ขยันมันเพียรวิริยารำพะเป็นคนเป็นคนคลาสสิกเป็นคนชั้นสูงเป็นคนมีวันนะอย่างที่เราได้พยายามอธิบายกันพยายามทำความเข้าใจกันนะเพราะงั้นถ้าผู้ใดไม่รู้หลัก ไม่รู้กรรมวิธีไม่รู้สาระสำคัญของชีวิตมันก็ร่องแรงร้องแรงกันไปเมื่อผู้ใดเห็นจริงสแสวงหากล้าเพียงพอเสียสละอย่างพวกเรานี่มันเป็นเรื่องกล้าหาญชาญชัยมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องแปลกเรื่อยๆไปแปลกเพราะว่าโลกเขายังเข้าใจไม่ได้อะไรกันคนมันมาทําอะไรเนี่ยมีอะไรซ่อนแฝงคือคนมัน เข้าใจถึงเรื่องซ่อนแฝงมานานแล้วมันมีแต่เรื่องซ่อนแฝงมันไม่มีเรื่องความบริสุทธิ์พอมาเป็นอย่างนี้มาทําอย่างนี้กั น, นึกว่ามีอะไรซ่อนแฝงแท้จริงมันมีแต่ความจริงมันมีแต่ความเปิดเผยมันไม่มีอะไรซ่อนแฝงแต่เขาไม่เข้าใจทีนี้เรามารู้ความจริงเราไม่มีอะไรซ่อนแฝงแล้วเราก็มาทําสิ่งที่จริงกันเราได้รับผลเราได้รับสิ่งที่ประเสริฐอะไรเราก็ได้รับกันไปเรารู้โดยปัญญา เราเข้าใจด้วยปัญญาเราได้เสวยเรื่องว่ า, าได้เราได้สัมผัสเราได้อาศัยแล้วก็ได้อาศัยไปวันคืนไปวันคืนไปกี่ปีก็กี่ปีอาตมากล้ายืนยันเพราะว่าตัวเองนี่ก็หลายปีเข้ามาแล้วก็ยิ่งเห็นจริงยิ่งทะลวงทะลุมันยิ่งเกิดปัญญายิ่งเห็นโล ก, กวิถียิ่งมองโลกทะลุกว้างขึ้น โลกเป็นโลกแห่งแก่นสารโดยไม่ใช่โลกแห่งมายาถ้าคุณอยู่ที่โลกมายานะคุณก็จะถูกโลกมายามอมเข้าเป็นเปลือกแล้วก็เป็นเปลือกบางขึ้นบางขึ้นฟ้ า, ามขึ้นฟ้ า, ามขึ้นคุณลองนึกดูดีๆที่พูดเนี่ยทีนี้คุณมาอยู่กับที่นี่คุณก็เมื่อเห็นโลกที่เข้าไปหาแก่นสารโอ้เป็นเนื้อหาสาระเป็นสารัตถะเป็นความไม่ต้องโลภไม่ต้องโกรธเป็นความสบายวันคืนก็รู้ยิ่งขึ้นยูรู้ยิ่งขึ้นโอ้ ชีวิตมันอยู่อย่างนี้มันยิ่งอยู่มันยิ่งสบายใจมันยิ่งปล่อยมันยิ่งปลดยิ่งปลงมันยิ่งเป็นไปอย่างพระพุทธเจาธ้าตราไว้เลยเป็นคนเลี่ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยสันโดษอ่าเป็นคนมีธาตุขัดเกลาเป็นคนมีธาตุอุตสาหาวิริยะในทางที่จะบากบั่นในการขัดในการทุตักเนี่ยจะแปลว่าอะไรดี สันเลขาทุตะแล้วอะไรเป็นคนที่มีธาตุทุตต ะ, ะทุดงเนี่ยมีองค์แห่งการบําเพ็ญเป็นคนมีมีองค์แห่งการบําเพ็ญบาบเพ็ญของแต่ละฐานนะนอกจากเราขัดเกลาเราเห็นว่าการขัดเกลากิเลสนี่แม้มันเป็นคนมีชั้นเป็นคนคลาสสิกเป็นคนวันนัง เป็นเดอะเดอะคลาสสิกเป็นเดอะคลาสเซสเป็นคนที่มีจริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องหลอกหรล่าไม่ใช่สร้างวัณณะด้วยแต่เป็นจริงที่มีจริงถ้าเราไม่มีจริงเราได้แต่ความรู้เราก็ได้แต่ภาษาแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความขัดเกลากจริงเป็นคนเลี้ยงง่ายบํารุงง่ายมักน้อยสันโดษขัดเกลวแล้วก็สามารถที่จะมีหลักบําเพ็ญมีทุดงมีทุตตักมีองค์แห่งการ ชาระลางตัวเองอยู่ให้สูงขึ้นสูงขึ้นอยู่ด้วยละเอียดเนียนสูงขึ้นเสมอเราจะเป็นคนอย่างนั้นเสมอแม้เราจะได้ชื่อว่าเราสบายแล้วเป็นอรหันต์แล้วถึงแม้เป็นอรหันต์ก็ยังมีเครื่องที่จะเป็นทุตตะอยู่อีกเป็นการชำระเรื่อยไปให้สะอาดแม้แต่อาตมาเองอาตมาก็มีทุตตะอยู่เสมอนี่ทุตตะแน่ๆอาตมามีภารสาทิกะ มีอปัจจะยะนะมีทุตตะมีการมีสิ่งที่บำเพ็ญของตนสูงขึ้นการขัดเกลาจนกระทั่งไม่ต้องขัดแล้วหลั่งสบายแล้วใช้ได้สะอาดดีพอสมควรอรหันต์ถือว่าเป็นผู้สะอาดแล้วถึงขั้นสันเลขาสันเลขะคือเครื่องขัดเครื่องเกลาท่านขัดเกลาองท่านสบายแลวคล่อ ง, องตัวแล้วไม่มีอะไรฝืดร้อนไม่มีอะไรลำบาก แต่ท่านก็ยังมีสิ่งเป็นทุตตะเป็นเครื่องบำเพ็ญที่จะให้ชําระสะอาดสวยงามผ่องแผ่วาวาวยิ่งขึ้นไปอีกเป็นศิลปะชั้นในเป็นความงามเป็นสุนทรียภาพของมนุษยชาติทุตตักเป็นเครื่องบำเพ็ญให้งามไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดพฤติกรรมใดๆ เรียกว่าเป็นเครื่องขัดกรรมทุตตะ <c oughs> เป็นเครื่องชำระกรรม <c oughs> เป็นเครื่องตกแต่งกรรมไม่ว่ากายกรรมหรือวจีกรรมหรือมโนกรรมของเราเรามีทุตตะที่จะตบแต่งกรรมของเราให้งามขึ้น <c oughs> คำว่างามคำนี้ไม่ใช่งามอย่างโลกนะคุณทุตตะภาษาทิกะเราจึงจะขึ้นสู่ภาสาทิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใส เพราะเรามีทุตตะเรามีเครื่องตกแต่งกรรมเมื่อมีเครื่องตกแต่งกายกร ร, า ก, รรา ก, กรรมเราก็ดีขึ้นวัจีกรรมเราก็ดีดีดีขึ้นมโนกรรมเราก็ดีดีดีขึ้นเมื่อเรามีกายกรรมดีมีวัจีกรรมดีมีมโนกรรมดีขึ้นดีขึ้นเราก็มีภาษาธิกะในตัวมีอาการที่น่าเลื่อมใสอาการที่โอ สุนทรีเนาสุนทรีอย่างนี้ไม่ใช่สุนทรีแบบโลกซะแล้วเป็นสุนทรีที่แก่นสารเป็นสุนทรีที่มีเนื้อหาสาระโองามนะงามหนอคนนี้กายกรรมก็งามพฤติกรรมงามพฤติกรรมหมายถึงทั้งหมดกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมงามนะมีค่ามีคุณมีประโยชน์แก่นสาร ไม่ใช่งามไพเราะเพราะพริ้งแบบโลกสวยแบบโลกงามแบบโลกกลิ่นรสแบบโลกไม่ใช่มีสาระแก่นสารมีสิ่งที่ประเสริฐมีฤทธิ์มีกายกรรมก็มีฤทธิ์ทำให้เกิดการปรับปรุงในสังคมโลกขึ้นได้มีวิจีกรรมก็มีฤทธิ์มีการปรับปรุงสังคมโลกได้มีมโนกรรมก็มีฤทธิ์สามารถ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกสังคมมนุษย์ได้เปลี่ยนแปลงมาในทางเจริญเปลี่ยนแปลงมาในทางเป็นแก่นสาม เ, เรียกว่ามีอาการที่น่าเลื่อมใสมีคนเห็นดีมีคนเห็นชอบมีคนเอาอย่างตามทาั้งทั้ง ท, ง, ทงที่ยากทั้งทั้งที่ยากเอาอย่างตามเอาแล้วเป็นอย่างไรเอาแล้วสังคมก็ดีขึ้นเราก็ดีขึ้น ดีขึ้นเ ม, มื่อมีภาษาธิกะละเอียดลงไปอีกอปัจจยะเห็นลักษณะไม่สะสมอปัจจยะรู้เหตุรู้ปัจใจแต่ไม่ไปยึดอปัจใจอะไรมาเป็นตนไม่หลงเหตุไม่หลงปัจใจไม่หลงสมุทยไม่เอาอะไรมาเป็นของตนไม่สะสมไม่กอบโกอยอปัจจยะออเป็นคนมักน้อยสันโดษแล้วยังไม่พอยังเห็นรูปร่างเลยยังเห็นทั้งรูปทั้งนาม เออเป็นคนไม่สะสมไม่กอบโกยไม่หอบหวงไม่เอาไม่เอาอะไรมักน้อยอยู่ก็เห็นเด่นชัดและก็ไม่กอบโกยก็เห็นเด่นชัดไม่สะสมก็เห็นเด่นชัดเป็นคนน้อยคนเล็กเป็นคนที่สลัดแจกจ่ายเจือจานเกื้อกูลอปัจจยะและสุดท้ายที่ตัวปลานี่น่าสังเกตตัวสุดท้ายวุริยารัมพะ น่าสังเกตยังมีชีวิตชีวาอยู่ก็โอ้คนนี้ขยันหนอปลารบความเพียปรปลารบความเพียรมีอิทธิบาทเนอะเห็นดินดกแดกอยู่ชีวะชีวาหรือมีอายุโอ้นี่สัตว์มีวิ ญ, ญญาณสัตว์มีชีวิตนี่สัตว์มีชีวิตคืออะไรอ้อตัวแสดงคืออิทธิบาท ต, ตัวแสดงคือวิริยารมพะนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์ของมนุษย์โส หรือผู้ได้ชื่อว่าบุรุษประเสริฐมหาบุรุษมีวิริยาราพระเป็นเครื่องแสดงมีอิธิบาเป็นเครื่องแสดงมีตัวสัมผัสปั๊บกร็รุโอ้นี่มนุษย์นี่ไม่ใช่เศษกากนี่มนุษย์มีความปารับความเพียรมีความขยันมีชีวิตชีวา ชีวิตจีวารายอู้ไปแตะเข้าสี่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานสดชื่นไม่ใช่เป็นผู้ที่มองมนอับเฉาไม่ใช่เป็นผู้ที่เฉยเนยซึมเศราไม่แล้วความรู้พวกนี้ที่อธิบายที่พูดพวกนี้ไม่ใช่พูดลอยลมให้คุณฟังเล่นอิงหลักอิงธรรมอิงวินัยของพระาศาสดา แล้วก็ชี้เน้นถึงปมประเด็นเงื่อนแง่แห่งความหมายให้ฟังฟังให้ดีจะเห็นพิสดารจะมีความเข้าใจเป็นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องเก่านักแต่ก็อยู่ในฐานเก่าแต่ก็วิเคราะห์ใหม่ระบายสีเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ระบายสีฟ้ามแบบโลกระบายเนื้อแก่นสารเข้าไปอีกนะ แม้จะอธิบายถึงวันนะกเก้าเพิ่มเติมอย่างที่พูดเมื่อกี้นี้มีตั้งแต่สุภะสุโพสะอภิจฉะสันตุธิสันเลขาทุตะปาาธิกะอัปิจยะและวิ ร, ยริยรำพะอะไรพวกนี้ที่พูดถึงวันณะกเก้าก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องเปรียบเป็นเครื่องวัดมนุษย์ เป็นมิเตอร์ที่จะวัดเร า, าเราเองนี่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นพุทธจ้าต่างๆทฤษฎีวัดความประเสริฐความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เราจะเอาอะไรเราจะเป็นอย่างที่ท่านว่าอย่างนี้ปร ะ, ประเสริฐอย่างนี้เป็นเรื่องของวันลนะเป็นเรื่องของเดอะคลาสเซสเป็นเรื่องชั้นสูงเป็นเรื่องของมนุษย์สูงมนุษย์ประเสริฐเรามีสภาพเหล่านี้หรือเปล่ามันยังไม่มีก็พยายามขึ้นบำรุงขึ้น บำรุงขึ้นให้มันเป็นสุปโปสักบำรุงขึ้นอย่าเป็นทุบโปสะอย่าเป็นพวกบำรุงไม่ขึ้นพระพุทธเจ้าไม่นิยมคนหยุดอยู่ได้ดีบ้างแล้วก็ดีอยู่แต่มันยังมีดีไปได้อีกยังมีดีไปได้อีกทําขึ้นบำรุงขึ้นเรามักน้อยเท่านี้ก็ดีแล้วมักน้อยได้อีกไหม เรารู้จักพอเท่านี้ก็ดีแล้วถ้าเผื่อว่าทําความพอนี้ให้ไปสู่ความมักน้อยยิ่งกว่านี้อีกลงไปอีกได้ไหมที่สุดหรือยังเท่าพระพุทธเจ้าเป็นเท่าพระพุทธเจ้ามีแล้วหรือยังถ้ายังมากไปกว่าพระพุทธเจ้าอยู่เรายังมีสิ่งที่จะทุตตะยังมีสิ่งที่จะบําเพ็ญลงไปได้อีกยังมีสิ่งที่จะสันเลขายังมีสิ่งที่จะขัดเกลาลงไปได้อีกเกลาลงไป เจียนลงไปให้มันนิ่งไปเข้าหากันเข้าไปเราก็จะเกิด ป, ปาสาธิกะจะเกิดอาการที่น่ายินดีน่าเรื่อมใสเป็นอาการที่ดีอาการเราไม่รู้จะแปลว่าอะไรปาสาธิกะเนี่ยเป็นอาการใหม่ของเราเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราที่น่าเรืม่มใสเป็นอาการใหม่ของเราเป็นพฤติกรรมใหม่ของเราที่น่าเรืม่มใสเราจะเป็นจริงเลยเราจะเป็นผู้ที่ไม่สะสมได้มากจริงๆ อปัจจยะจริงๆมันเป็นเรื่องพิสูจน์ได้นะเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์กันแหละหลักของพระพุทธเจ้าทฤษฎีต่างๆนี้มันไม่ได้ใช้มานานแล้วมันเก่าคล่าค้าเรางัดเข้ามาอยู่ในโกดังเกือบเก่าเกือ บ, อบพังไปหมดแล้วเกือบสูญเสียแล้วเอามาเอามาพิสูจน์มนุษย์นี่ทําได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตั้งสูตรไว้สําหรับมนุษย์ไม่ได้ตั้งสูตรไว้สําหรับให้สิงสาราสัตว์อะไรมาใช้เมื่อไร ตั้งสูตรไว้สำหรับให้มนุษย์นี่พิสูจน์คนประเสริฐ จ, จะเป็นอย่างนี้นะเราจะขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เราจะมางอมืองอเทา้าขี้เกียจสันหลังยาวไม่ใช่คุณสมบัติของมนุษย์เป็นคุณสมบัติขยันหมั่นเพียรวันคืนไม่ใช่ซ่อนแฝงไม่ใช่แอบแฝงเราจริงใจไม่มีเล่ห์ไม่มีเล่ห์ทำอย่างรู้ค่ารู้คุณเราทําอย่างสบาเราทําอย่างเบิกบานสดชื่นเราทํางานอย่างสดชื่นทํางานไปกับ สบายไม่มีอารมณ์เคืองอารมณ์ขุนมีอะไรนิดอะไรหน่อยจะเอาดังใจของเราระวังทำงานแล้วเรานึ ก, กว่าเราทำดีคนอื่นทำดีได้น้อยกว่าเร า, เราถือดีขึ้นมาปุับปรับปรับคนนี้ทำไม่ได้ดังใจเราไม่ได้ไม่เอาอะ่ะเขาไม่ได้ดังใจเราได้ยังไงเขาก็ต้องทำได้ดังใจเขาเขาจะดีขึ้นมาดีเท่าเราก็ให้มันดีขึ้นมามันยังไม่ดีก็ช่วยอุดหนุนกันไม่หวือหวาวูวาม เข็นฆ่าแต่ถึงพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปสปอยคนที่ขี้เกียจทั้นหลังยาวไปทีเดีเอาออกเอาใจให้ทายคนขี้เกียจก็ไม่ใช่ไอคนขี้เกียจมันก็ต้องโดนเครียดจริงๆก็ต้องโดนเครียดเนี่ยได้พูดให้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่ได้ดีแล้วก็ระวังใจตัวเพราะฉะนั้นจะดุก็ระวังพฤติกรรมจะทําสตรีลาท่าทียังไงก็ระวังพฤติกรรมทางกายทางวาจา เมื่อใจของเรามีปัญญามโนของเรารู้แล้วเราก็ต้องพยายามปรับปรุงกายกรรมวจีกรรมของเราให้ดีสมส่วนให้พองามพอมเหมาะคำว่าอาระหะนี่แปลว่าพองามพอมเหมาะเพราะฉะนั้นสังกัดไปก็จะพอเหมาะไว้ก่อนวาจาก็จะพอเหมาะได้กรรมมันตะก็จะพอเหมาะได้อาชีวะการเป็นอยู่ตลอดชีวิตก็จะพอเหมาะเสมอนะ คุณก็จะได้ชื่อว่าคุณเหมาะสีใครไม่อยากได้ชื่อมึงชื่อคุณเหมาะสีหรือคุณพอดีนี่เรามีแล้วนี่มันเกิดมาเ น, นี่อยู่ดีดีว่าคนชื่อคนพอดีโอ้มีความคิดยังไงอลังการเหลือเกินงามเหมาะเหลือเกินชื่ออะไรไม่ชื่อชื่อพอดีหรือเหมาะดีเป็นข้าราชการกรมห้องสมุดเหมือนกัน คุณพอดีคุณพอสีอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะนี่พูดมีแกนมีกนันนะไม่ใช่พูดเล่นแต่พูดพอเราฟังแล้วมันรู้สึกบันเทิงเรารู้สึกมันเออมันตลกมันไม่ใช่ตลกนะมันเรื่องจริงนะความพอดีหรือความพอเหมาะความสมควรสัมมาปฏิปทานี่ความสมส่วนเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องเล่นมันเรื่องดีมันเรื่องจริงเราจะรู้ว่าเราจะทำยังไงพฤติกรรมกายมันจะพอดีพฤติกรรมวจีตจะพอดีพฤติกรรมมโนเราเป็นตัวมโนปุพังขมาธรมามโนเสรถามโนมยามันตัวจิตนี่แหละเป็นตัววงการเป็นตัวขับเคลื่อนทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันทำได้ทาได้แล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยมันจะมีความสาเร็จสูงสุด เรามาเรียนรู้พวกนี้แล้วเราก็มารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเอามาทิ้งหรือเราเอามาเป็นประโยชน์เมื่อชีวิตมันไม่ขึ้นอยู่กับลาบยศสันสญโล ก, กียะลาบรถยศเสื่อม จ, จะรวยจร่ำรวยอะไรเราไม่ต้องไปขึ้นกับระบบการวัดด้วยลาบยศสันสญโล ก, กียะสุขแล้วคุณคิดดูว่าคุณมาถูกแล้วหรือไม่มาถ้าคุณยังเห็นว่าเอออย่างนี้มันไม่เอาอ่ะคุณก็กลับไปได้เสมอโลกยังมีให้คุณ ในการจะไปแย่งลาบยศสรนเสริญโลกกีะสุขโลกเขามีให้คุณแน่นอนที่สุดคุณกระโดดไปเมื่อไหร่ก็ได้มาทางนี้สิไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มาได้แล้วมันก็ง่ายแล้วจะเห็นความง่ายซ่อนในความง่ายอีกก็อย่างงี้เออง่ายจริงๆนะสบายเรามันไม่ต้องไปขึ้นต่อลาบยศสเสริญอะไรต้องแข่งกันต้องบุนวายอะไรมากมายต้องเดือดร้อนอะไรหนักหนาไม่เลย เรามีแต่เรื่องจิตที่ใยดีรู้ดีเออเราดีที่สุดจุ ด, จดสุดยอดก็เป็นคนที่สร้างสรรค์ขยันมันเพียนแต่อปัจจยะเป็นคนขยันโอ้โหสร้างสรรค์เก่งแต่อปัจจยะแต่บ่มีกายอปัจจยะแปลว่าบ่มีกายไม่มีอะไรไม่สะสมอะไรไม่เอาอะไรไว้เป็นของตัวของตนอปัจยปจยะอปัจัย เออเป็นคนขยันนะมีสิทธิ์นะที่จริงอ่ะขยันมันเพียนสร้างสารรค์กรอเป็นสมบัติอะไรขึ้นมาจริงๆมีคุณมีค่าตีราคาก็ได้แพงนะถ้ารกรเปลี่ยนด้วยโลกก็ได้เยอะนะเออขยันมันเพียนเป็นวิริยารัมภะเป็นคนชั้นสูงสุดสังเกตดิเที่หนึ่งถึงเก้าเนี่ยวันนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่สุภะสุโปสะไล่ขึ้นมาจนกระทั่งสุดตัวสุดก็วิริยารัมภะ ถ้ไม่วิรยิยะลำพามันยิ่งใหญ่ยังไงกันไม่ยิ่งใหญ่อวิชายาวิจารไว้เป็นองค์ที่เกของวันณะอวันณนะ ต, ต, 6. ตัวเลวที่สุดก็คือตัวที่หตัวเลวที่สุดก็คือตัวที่หของอวันณนะทุกพระ ทุปโปสะมหับปิจชะนะอาสันสันตุธไม่ใช่อสันนะตัว น, นี้สันตุธอะไรนะอะไรนะไม่รู้จักพอเอออสันตุธอับมหับปิจชะอสันตุธสังสัสงคณิกา เขาใช้ตัวอะไรตัวท้ายโกศชาเลยไม่รู้แล้วก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราภาษาบาลีตัวพวกนี้โกศชากุสีตะตันธิอัลละศะัอีกอัลละโซอัลละศักขี้เกียร ต, ตัวขี้เกียรสันหลังยาว6ลำดับเป็นพวกอวันนะอ่เป็นพวกอวันน ะ, ะ เ, ปนนนะเป็นพวกจันทาน พวกจันทานพวกไม่มีวันนะักอะไรกับเขาทำไมตัวเลวร้ายสุดเป็นตัวโกชะตัวตันทิหรือตัวกุศีตะอะไรนี่ตัวขี้เกียจขี้คลังเฉยแฉะทำไมตัวที่สูงสุดยอดคือตัววิริยรำพะนี่ตั้งข้อสังเกตให้คุณฟังก็มนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละ คุณเข้าใจได้ไหมว่าความขยันมันเพียงกับความขี้เกียจมันต่างกันอย่างไรแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะเป็นคนที่สร้างสรรแล้วก็ไม่เอาอะไรซะด้วยพระเจ้ามีคุณธรรมสมประการหนึ่งเป็นพระจิตปิญญาบริสุทธิ์สองเป็นพระผู้สร้างสาเป็นพระผู้ประทานคุณธรรมของพระเจ้าพระเจ้าคือวิญญาณ วิญญาณก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณอันนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นเป็นที่ใครก็เป็นอันเดียวกันเรามีจิตวิญญาณแห่งการสร้างสรรค์เราก็เป็นพระเจ้าเรามีจิตวิญญาณแห่งการเป็นผู้ให้เราก็เป็นพระเจ้าเรามีจิตวิญญาณแห่งการบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสผสมเราก็เป็นพระเจ้าเราจับพระเจ้าได้เรามีความเป็นพระเจ้าจริงเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้า เราเป็นฉายาของพระเจ้าเรามีรูปร่างของพระเจ้าตัวแทนของพระเจ้าอยู่ทีเดียวพระเจ้าจริงไม่ปรากฏตนแต่เราเป็นพระบุตรเราปรากฏตนเรามีวิิยาลัมพะพระเจ้าขยันพระเจ้าไม่ขี้เกียจซาตานขี้เกียจพระเจ้าไม่สะสมพระเจ้าอัปัจญยะพระเจ้ามีอาการที่น่าเลื่อมใส พระเจ้าไม่ใช่มีอาการที่น่ากเกลียดพระเจ้ามีองค์บำเพ็ญทุตต์มีองค์ทมทีท่จะประพฤติทำให้ตัวเองนี่สะอาดผ่องแผ้ว ง, งามยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเป็านอนันตตังไม่มีที่จบที่สิน้นมีพฤติกรรมนี่ขัดเกลาพฤติกรรมตนงามขึ้นเรื่อยพระเจ้ามีความขัดเกลาเสมอขัดเกลาตนเสมอ แต่ฐานต่ําที่เราเป็นจริงของเรามีต่ําอะไรอยู่มีเรืออะไรที่ไม่ดีอยู่ทําคัดเกล้าเลื่อยไปพระเจ้าพอรู้จักพอเมื่อไหรก็พอมีหลักแห่งความพอมีพฤติกรรมแห่งความพอพระเจ้าเป็นผู้มักน้อยไม่มักมากไม่มักใหญ่แต่ขยันหมั่นเพียรอยู่อย่างแรงกล้าพระเจ้าบํารุงง่าย พูดกันง่ายพัฒนาง่ายไม่ใช่ดูด่านบอกอยากบอกเย็นติดจุดตีไม่แตกไม่ใช่ตีแตกบอกง่ายปรับปรุงง่ายบํารุงง่ายเป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายสบายสบายไม่ยุ่งไม่ยากจะกินอยู่หลับนอนจะทํางานทําการอะไรก็เป็นคนง่ายไม่ใช่คนเลี้ยงยาก เรามีคุณสมบัติส่วนดีอย่างนี้เป็นเครื่องสอบทานเป็นเครื่องปรับปรุงตนวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็มีสมารัยมรรคองแปดความเห็นของเราถูกต้องทําความเห็นเสมอมีสติมีธรทำวิจัยตลอดเวลามีธรทำวิจัยไปเอ อ, อนนี้ดีกว่า น, นี้อันนี้ดีกว่า น, นี้ให้เข้าร่องเข้ารอยโอ้แต่ก่อนเราเข้าใจว่าอันนี้ดีดีกว่านี้มีอีกแค่เออเข้าใจทะลุโปร่ปรงขึ้นไปอีกปรับปรุงไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง แล้วคุณก็จะตายวันหนึ่งคือหนึ่งเราก็ได้ทดําดีมีส่วนดีวันหนึ่งคือหนึ่งเราก็ได้มีการปรับปรุงมีสันเลขามีทุตตะมีอามีปาสาทิกะมีอาการนั้นน่าเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันหนึ่งก็ผ่องแผ่วงดงามเป็นคนดีวิเศษขึ้นงดงามมีประโยชน์มีคุณค่าพฤติกรรมกายวจีมโนเป็นพฤติกรรมงามผ่องขึ้นสะอาดสะอานขึ้น เป็นมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างให้แก่โลกเราตายไปก็ยังเป็นตัวอย่างเป็นฉายาเป็นตราตรึงเป็นแบบอย่างนี่เราเกือบจะไม่รู้รอยของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีพฤติกรรมยังไงท่านงามยังไงเนอะผ่องแผ้วเนองดงามเนองดงามยังไงเราเกือบจะไม่รู้เรานึกว่าจะงามแบบโลกโลก ปั่นพระพุทธเจ้าเป็นพระเอกยิเกร้องร่ายรำอะไรต่างๆนา น, นาเป็นแบบขี่โลกขี่ยาหรือแบบชาวโลกซะแล้วเพราะเราเข้าใจวาความงามในโลกมันเป็นเปลือกก็เอาความงามแบบโลกมาปั้นพระพุทธเจ้าเอาหมดรูปร่างก็จะให้เป็นพระเอกขี่ยาแบบแบบโลกอ่อนแอฟ้อนรําดีดิ้นพิ้งพลายเป็นแบบโลกอะไรเงี้ยเขาไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ามีอย่างไร แม้แต่รูปกายเป็นอย่างไรแม้แต่พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาก็ไปเอาพฤติกรรมของชาวโลกที่เขานิยมกันมาใส่พระพุทธเจ้ามันเพี้ยนไปเรื่อยมันเปลี่ยนไปเรื่อยมันแปลไปเรื่อยแปลไปแบบโลกนิยมโดยกลายเป็นโลกกิยะนิยมแล้วมันก็เอามายัดเยียดให้พระพุทธเจ้าหมดเพี้ยนไปเรื่อยเมื่อเราเทียบเคียงยืนยันหลักธรรมของพระเจ้ายังไม่สูญหาย 2,500 กว่าปียังจะชาระสะสารกันต่อไป อันใดถูกก็ยังไว้อันใดไม่ถูกแก้ไขเราก็เหมือนกับทาสังขยาทำสังข ย, า, งขยาไปเรื่อยยืนยันยืนหยัดไปอัตมาก็หวังว่าอัตมานี่ได้รับแก่นสารบ้างและอัตมาเองก็ยังมีทุตตะยังมีสิ่งที่จะบําเพ็ญให้สูงขึ้นให้สะอาดให้งามผ่องให้วาวาวามยิ่งขึ้นยังจะมีปาสาธิกะยังจะทําอาการที่น่าเลื่อมใสยิ่งขึ้นอปัจจยะ ก็ยังจะมีสิ่งที่จะทำให้บ่อมีไกลให้ศูนให้เกิดสุญญภาพให้เกิดความไม่ยึดอะไรไว้อีกให้ได้มากขึ้นมากขึ้นเท่าที่เราจะเป็นไปโดยรูปโดยนามโดยรูปของเราเราเองเราไม่ยึดไม่เอาอะไรได้จริงแต่โดยนามเราอาจจะมีอะไรละเอียดละอของเราเรากะว่างของเราไปอ่า เราจะอ่านเจ้าคนจะมีจิตอันแยบคายยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเราจะมีวิริยารมพะเราจะมีความขยันหมั่นเพียรโดยไม่ทรมานกายและปรับปรุงใจเราจะมีความขยันอย่างไม่ทรมานกายและปรับปรุงใจใจเรานี่แหละมันพาให้เราขี้เกียจถ้าใจเราขยันเสร็จแล้วก็ขยันขยันเกินการเดี๋ยวทรมานกายตนไม่เอา เราไม่ทรมานกายตนแต่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้ช่องให้เชิงแก่คนขี้เกียจนะไม่ใช่ชี้โพล่ให้กระรอกแก่คนขี้เกียจมันเป็นได้นะหาเหลี่ยมหาเล่มากนะจิตมนุษย์นี่ใส่ยอดแท้อย่างถึงเลยนะจิตมนุษย์นี่มันจอดซ่อนแฝงมันยอดตลบเล่นงานเราโดยเราไม่รู้เท่าทันมันด้วย แต่แท้จริงกิเลสมันซ่อนแฝงอยู่ในตัวมันเล่นงานเราวันแม้แต่ตัวปลายตัวที่บอกว่าการขยันการขี้เกียจเนี่ยก็ยังมีเล่เหล่ดีอีกมากกว่ามากนักพอเราพยายามดูที่พาคุณทำทุกวันนี้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันเสียหายอะไรมากมายก็มีไม่มากไม่มายนักเรื่องที่เราเป็นไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเหมือนซ้ำซากก็เราทางานเหล่านี้มันก็ทาไม่หมดหรอก ตลอดชีวิตนี้ที่อาตมาพาธรรมเนี่ยคุณยังทําไม่พอใช้ในโลกโลกยังต้องการเศรษฐกิจที่จะต้องการสิ่งที่เราทําอยู่นี้อีกนักกว่านักเราทําไปตในชีวิตนี้ต่ออีกสองช่วงอ่าตายแล้วเดี๋ยวอาตมาจะพยายามหายาอายุวัฒนะชุบฟื้นสิใครตายแล้วก็จะชุบใหม่เออแก่งักชุบใหม่เป็นตัวเด็กใหม่เป็นตัวหนุ่มใหม่แล้วเอามาสร้างใหม่มาใช้ใหม่จะทําได้ไม่ไม่รู้แต่ก็คงไม่ได้นี่นแหละมากกว่า มันจะไปทำอะไรได้มันก็ชีวิตหนึ่งของคุณนะชั่วชีวิตหนึ่งเนี่ยแต่ละคนในใครอายุน้อยที่สุดในขณะนี้ในเนี่ยมันจะอีกสักกี่ปีกันก็าทำไม่เถอะมันไม่พอเพียงที่จะไปเลี้ยงมนุษย์หรอเรายังจะสร้างสรร์เรายังจะมีสิ่งที่จะสร้างในแก่โลกนี้ยังจะขยันหมั่นเพียรทำไปชั่วชีวิตนี้ก็ทำไปเรามีงานไม่ตกงานนะเงินเดือนให้ไว้แล้วทุกคนเต็ม เดินเต็มแล้วทุกคนไม่ต้องมีรับไม่ต้องมีจ่ายไม่ต้องประท้วงอีกประท้วงยังไงมันก็ไม่ได้รอกมีแต่จะมาบ่มีไกลอะจะมานั่งเอาอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเลยนะเป็นเรื่องที่พูดกันในโลกนี้มีด้วยเหรอก็โรงเรียนสอนอย่างนี้มีด้วยเหรอโรงเรียนไหนสอนอย่างนี้มีด้วยเหรอโรงเรียนสอนอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องที่มันเออมัน คุณคิดในดีแต่เป็นเรื่องประหลาดนะให้ขยันมันเพียนสร้างสรรและไม่ต้องเอาสร้างเพื่อประโยชน์มนุษย์เป็นแก่นสารแล้วเราก็ชีวิตของเราก็อาศัยความเป็นได้เนี่ยอยู่สุขสบายสุขภาพกายก็สบายดีอ่าโดยเฉพาะสุขภาพใจใจนี่แหละเป็นเอกใจมันอยู่ได้ใจมันเป็นจริงใจมันสบายใจมันหมดสงสัยใจมัน พอใจที่จริงภาษาไทยคาว่าพอใจเนี่ยก็คือสันโดษพอใจใจมันพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วน้อยกว่านี้ก็ยังพออีกนะยังพอได้น้อยกว่านี้ยังพอได้ไอที่จะมากขึ้นไปกว่านั้นมากขึ้นไปกว่าพอไม่พอไม่มีแล้วเพราะนั้นคำว่าพอใจเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสมในกิเลสนะ อยากได้แล้วก็มาได้ตามที่เราต้องการก็เลยพอใจเปล่าพอใจไม่ใช่อย่างนั้นที่เขาแปลว่าพอใจคือแค่ที่มีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องได้มาอีกนี่ก็พอใจแล้วหรือแม่น้อยลงไปกว่านั้นก็พอใจอยู่พอน้อยลงไปกว่านี้ก็ยังพอไม่ใช่ว่าได้มาอีกจึงจะพอแม้มันไม่ได้ถึงห้า ตอนนี้เรามีสามแค่นั้นได้มาสี่ได้มาห้า 5. เออพอใจดีใจให้ได้สี่แล้วได้ห้าแล้วพอใจดีใจไม่ใช่ไอ้นะีมันเสพสมไอ้นะี่มันมากมากไม่ใช่ใจพ อ, อที่หลังเรามากลับภาษากันกนี้กาเป็นไงใจพ อ, อยังเป็นไงดียินนี้ยัง ถ้ายินดีแล้วมันก็จะเป็นโลกถ้าพอใจแล้วมันก็จะเป็นโลกเพราะงัใจพอดีกว่าเป็นไงใจพ อ, อยังจะมีใจในรู้สึกว่าเออใจของเรามันพออย่างไว้หรือมันยังจะเอาอีกไว้ใจพอแล้วครับดีนะคนโลกนี้พูดกันภาษานี้กั น, นดีเอาลองดูลองดูเป็นไงใจพ อ, อยังใจพอแล้วครับ ถ้าใจไม่พอก็รู้ตัวแล้วแต่นี้พราะเราพูดอย่างนี้ก็ใจของเราอ่ะมันไม่พอก็ให้มันรู้ทีนี้ถ้าพอใจแล้วมันมันเป็นกิเลสบอกอาตมาตั้งกสังเกตได้ฟังแต่ไหนแต่ไหนว่าคำว่ายินดีนะคำว่าเห็นดีคำว่าพอใจอะไรพวกนี้มันเป็นภาษากิเลสแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นภาษาสัจจะเพราะเรากลับกันเชื่ ย, ยจะไปกลับไป ดียินดีเห็นก็คงจะตลมตายแต่คําว่าใจพอสักดีนะคำว่าใจพอนี่ดีะจะใจพอเราก็มาพยายามสื่อความรู้สื่อความหมายพวกนี้มันทําให้เราเกิดการปรับปรุงเหมือนกันมันเป็นอุบายโกศลได้เหมือนกันพอทําไปแล้วก็มาชินชาแล้วทีนี้กิเลสประสมก็กลายเป็นสังขารภาษาคําว่ายินดีพอใจคําว่า อะไรอะไรพวกนี้นะมันกลายเป็นภาษาสังขารมันจิตวิญญาณมันเข้าไปร่วมกับภาษาแล้วจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณกิเลสด้วยนะวิญญาณัสะมันเข้าไปร่วมกับภาษาเสแล้วพระบอกว่า ย, ยินดีพอใจพอใจก็หมายถึงการได้สมใจเสพสมยินดีก็หมายคำว่าต้องได้รับอะไรแล้วก็ยินดีโอ้ยได้ยศชั้นสรนเสริญยินดีปรีดาได้ลาบมาเยอะเยอะยินดี มันก็เป็นโลกกรรมไปหมดถ้าเสื่อมลาบเสื่อมยศไม่ยินดีเป็นโลกกรรมไปหมดได้กินของอร่อยยินดีไม่ได้กินของอร่อยไม่ยินดีมันเป็นเรืเ่องของโลกไปหมดเลยมันเป็นภาษาที่มีจิตวิญญาณเข้าไปร่วมผสมแนละ้วจิตวิญญาณมันถึงผสมได้ทุกอย่างผสมได้แม้แต่ในคำพูดผสมอยู่ได้แม้กระทั่งกรรม ก, รย า, กายผสมได้แม้จะอยู่ในวัตถุ เขาก็ปรุงวัตถุปรุงภาษาปรุงกรรมกิริยาปรุงมาหมดเราก็ต้องรู้สังขารต่างๆมันอยู่ได้ทั้งในภาษาสังขารต่างๆอยู่ได้ทั้งวิวาทะสังขารทั้งหลายอยู่ได้ทั้งวิรูปกขะสังขารทั้งหลายอยู่ได้ทั้งวิมานะให้ใจเราเป็นอุปทานไว้ใจของเราก็เป็นอุปทานสังขารไวในใจแล้วเป็นนิมมานรดีล่ะตราใจไวละเป็นวิมานล้ว สังขารเนี่ยไม่มีตัวมีมีตนนะคุณแต่มีฮะตราใจตอกเปลี่ยงไว้เลยเป็นรอยละนิมมานอรดีละบ่มไปสิพอบ่มไปหนักเข้าก็เป็นปรินิมิตวสวัตีเลยต่อไปก็ออกบทออกบาดต้องเอามาให้ได้ดังใจเป็นปรินิมิตวสวัตีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะ แล้เราต้องเข้าใจแล้วเห็นความจริงของตัวเราเนี่ยตัวเรานี่แหละมันมีตัวพวกนี้ถ้าเราล้างได้เป็นไปได้จริงเราก็สะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นมาทุกวันทุกวันอบรมพวกคุณได้ขนาดนี้นี่นะใน ว, วันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยสันติอโศกเนี่ยดีนะมีตกประมาณห้าสิบถึงไหมเนี่ยคืนหนึ่งคืนนะถึงนะ พระเนน20ไม่เนน20อีก10เป็น30แล้วพวกเราอีก10บกว่า20 50ประมาณนั้นโดยเฉลีย่ยไม่น้อยกว่ามีแต่จะมากกว่านี้เพราะฉะั้นโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่น้อยกว่า50ใน50คนนี้ชั่วชีวิตอัตมาก่อนตายแล้วเราก็ได้เข้าใจถึงสาระแก่นสารมีชีวิตตัวอย่าง เราก็ได้สิ่งนี้ก่อนและเราก็จะเป็นตัวอย่างแก่ความเป็นมนุษย์มนุษย์ตัวอย่างเนี่ยเป็นมนุษย์ตัวอย่างอีกซ้ำพอนะแออกเอกซ์เอกเซอีกซ้ำพ ม, มนุษย์ตัวอย่างมนุษย์ก็พูดภา ษ, าษาธรรมดาเขาว่า example เป็นมนุษย์เอ็กซั e เปเป็นมนุษย์ตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างคำนี้ไม่ใช่พูดในคุณหลงตัวให้คนคุณ a อ t เน่เป็นตัวเป็นกิเลสซะอีกไม่ใช่ไม่ใช่บายุแย่คนรเป็นกิเลสระวังตัวเราเป็นมนุษย์ตัวอย่างและเป็นแล้วเป็นได้แล้วมันก็เป็นอยู่กายกรรมของเราเป็นอย่างนี้พฤติกรรมของเราเป็นอย่างนี้ เราเป็นผู้ที่มีปาษาที่กะมีอาการที่น่าเหลื่อมใสเรากินอย่างนี้เราอยู่อย่างนี้เราไปเรางี้เราม า, างี้เราเดินอย่างนี้เรานั่งอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เรามีพฤติกรรมทํางานทําการอย่างนี้ใครมาเห็นเราตัวเรานี่รูปร่างหน้าตาหัวหยกักหยักสักว่าคนของเราเนี่ยใครถึงฐานะโกนผมแล้วก็โกนใครยังไม่โกนมีผมบางขนาดนั้นขนาดนี้ก็ใครมาสัมผัสเราก็คือเรา แต่เราก็มีพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างอยู่เสมอเป็นแบบอย่างไม่ต้องไปคุยโวคุยอวดไม่ต้องไปแอดอวดแอดเบ่งท่าทีอะไรเป็นพฤติกรรมธรรมดาธรรมชาติของเราวันคืนของเราได้พยายามสํารวมสังวรให้มีกายกรรมวจีกรรมอันเป็นพฤติกรรมอันดีงามเป็นตัวอย่างแก่คนไปวันหนึ่งคืนหนึ่งป้ายเป็นสาระแก่นสารดี เราก็เท่ากับเราปลูกฝังเชื้อชีวิตมนุษย์ตัวอย่างนี้ลงไปคนก็จะรับซับซับคนเขาก็จะรับเอาเก็บเอาคนก็เห็นว่านี่ดีเขามากราบมาไหวอออันนี้เราควรเอาอย่างเรานี้เราควรเอาอย่างเราก็เป็นตัวอย่างเขาก็จะมาเอาตัวทึ่มันไม่ไปใช่ตัวมันถ่ายทอดกันเสมอเป็นกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระโน มันถ่ายทอดได้ไม่จะเป็นจะถ่ายทอดแต่เชื้อน้าเชื้อไข่ก็ออกไปเท่านั้นไม่ต้องไข่ก็รับถ่ายทอดจิตวิญญาณนี้ไปได้รับรู้รับเห็นรับสัมผัสเอาแล้วก็ไปก่อพฤติกรรมเขารับสัมผัสรู้เห็นเฉยแต่เขาไม่มีญาณปัญญารับเห็นเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ยินดีกลับไปถูกผีหลอกเอายินดีตามผี เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพฤติกรรมอันหน้าเริ่มใสที่มีคุณค่ามีริษแรงเพียงพอที่จะให้เขาดูดดึงเข้ามาเอาอย่างนี้อย่าให้เขาไปเอาอย่างผีแต่พร้อมกันนั้นเราก็ต้องระมัดระวังมันเกินไปมันไม่พอเหมาะมันโอเวอร์ถ้ามันเกินไปแล้วมันก็เลยเป็นดัดจริตไปมันหน้ามันไส้มันแรงมันแข็งมากไปเขาไม่เอาตามมันแรงมันแข็งมากไปเขาไม่เอาตาม เราเรียกภาษาที่แข็งไปมากไปนั้นว่าดัดจริตภาษาไทยเราเรียกดัดจริตที่จริงภาษาไทยตัวดีๆเนี่ยมันคือมันจริตของเรามันทุจริตเราก็มาดัดซะให้มันสุจริตทีนี้มันไม่สุจริตหรอกมันเลยเถิดไปมันมากไประวังระวังตัวมากไปนั่นนะ่ะมันไม่ได้ผล มันผลักเลยตัดรอนคนอื่นก็รับแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นแม้แต่กายก็ต้องให้สุจริตที่กายเป็นกายสุจริตที่ดีที่พอดีวัจจีก็เป็นวัจจีที่สุจริตที่พอดีจริงๆมาจากมโ น, โนที่พอดีมาจากมโนที่จะเป็นความเห็นเป็นความรู้แล้วก็กระทำให้ถูกตรงตามที่เรารู้เราเห็นมันมากไปก็ปรับเราจะเป็นนักปรับ เป็นนักจูนเป็นนักเอจจัสเราจะเอจจัสตัวเองอยู่เสมอแม่เล่นภาษาฝรั่งเลยยังก็เก่งภาษาฝรั่งนักหนาเ น, นี่ยเราจะเป็นนักปรับปรับเป็นนักคอนโทรลแมห่หลายภาษาแล้วก็หลายคำแล้วกันนะควบคุมดูแลตนปรับตนนะ พยายามปรับเล็กปรับน้อยละเอียดลรอดูมุมเหลี่ยมให้มันนิ่มนวลให้มันสุนทรีให้มันสุนทรีภาพหรือสุนทรารมให้มันสุนทรียภาพหรือสุนทราร ม, ม, รารรารมไม่ใช่โลกนะภาษานี้ไม่ใช่ว่างา ม, ส, างามสุนทราแปลว่างามสุนทรในแปลว่างามให้มันงามอย่างที่ดไ ด, ไ ด, ได้รูป กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันพอมเหมาะเป็นปาสาธิกัเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสปรับปรุงเรปรับปรุงอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมีสติปัญฐานมีอาณาปานสติมีสติทุกลมเข้าหายใจเข้าออกรู้กายกายเป็นภายนอกกายเป็นภายใน จิตมันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันชักมีอุดตุกแแรงแล้วก่อกำแรงเปลี่ยนไม่เอาทําเบาเบาไปไม่ได้เรื่องเบาไปไม่ได้รถไม่ได้ไม่ได้คุณค่าเบาไปไม่เป็นท่าแรงขึ้นดูอุดตุดูจิตดูกายในดูออกมาข้างนอกแล้วนอกกแแรงไปนอกยังไม่ถึงต้องเร่งเครื่องภายในหน่อยมีกําลังภายในมามาก ให้ข้างนอกได้ข้างนอกมันอ่อนไปเราว่าเราขยันแล้วน้ใ น, นแต่ข้างนอกมันปอแปกคนเรียนว่าขยันนาไรขยแงงต่างหากแล้วนะทําอยู่ยังจะทําก็ไม่ทําทําอย่างขยแงงขยแงงไม่ใช่ขยันทําให้มันขยันไม่ใช่ขยแงงทาให้เต็มรูปเต็มร่างมั่งทาให้เต็มเนื้อเต็มตัวมั่งทำอย่างแหนอาบน้ํากลัวเปียกไม่เอา้า อาบน้ำเมื่อกลัวเปรี่ยก็ไม่ได้อาบน้ำกันยังไงกันอาบน้ำก็อาบเข้ามาเต็มตัวเต็มใจเต็มกายอย่างนี้เป็นต้นเราจะได้ปรับปรุงกายเป็นภายนอกกายภายในปรับปรุงเสมอรู้กายเป็นภายนอกรู้กายเป็นภายในมีปฏิสั่งเวทีมีความระลึกรู้รอบ ร, รู้ทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกภายในปรับปรุง ปรับปรุงทั้งสังขารกายสังขารจิตสังขารนีอ่อาปาณสติทั้งนั้นน่ะปรับปรุงทั้งกายสังขารจิตสังขารเราจะรู้เ <Columbus> ท่าทันป <m ur coaching> ิติสุขจิตของเรามีปิตินะจิตของเรามีสุขนะไม่ใช่จิตของเราหม่นหมองจนกระทั่งเราสามารถปรับปรุงตนได้โอจิตสังขารเป็นอย่างนี้อภิปโมทยังเป็นอย่างนี้สมาทหั่งเป็นอย่างนี้นี้เป็นต้น เราจะได้ปรับปรุงกายเป็นภายนอกกายภายในปรับปรุงเสมอรู้กายเป็นภายนอกรู้กายเป็นภายในมีปฏสิสั่งเวทีมีความระลึกรู้รอบรู้ทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมภายนอกภายในปรับปรุงปรับปรุงทั้งสังขารกายสังขารจิตสังขารนี่อาปาณสติทั้งนั้นน่ะปรับปรุงทั้งกายสังขารจิตสังขารเราจะรู้เท่ทาทันปิติสุข จิตของเรามีพิตินะจิตของเรามีสุขนะไม่ใช่จิตของเราหมุนมองจนกระทั่งเราสามารถปรับปรุงตนได้โอ้จิตสังขารเป็นอย่างนี้อภิปโมทยังเป็นอย่างนี้สมาธะหั่งเป็นอย่างนี้วิโมทจะยังเป็นอย่างนี้เราจะรู้เลยตลอดเวลาเราก็ปรับปรุงจิตสังขารมีอภิปโมทยังมีจิตใจยินดีร่าเริงเบิกบานสดชื่นไม่หมุนมอง มีความขยันหมั่นเพียรทำงานทำการถึงเวลาพักเราพักถึงเวลาเพียรเราเพียรเราเพียงอยู่ก็มีจิตใจมีอภิปโมทยงังมีสมาทหังมีความแข็งแรงมีสมาธมีความสมส่วนที่มีประสิทธิภาพสมาทหังสมาธหังนี่แปลว่าความสมส่วนที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอไดสาระถะอยู่เสมอสมาทหังทั้งจิต นี่แปลโดยใหญ่เลยนะสมาทหะนี่แปลเอ า, าเอาสาระถะแปลโดยเอาอัดที่ใหญ่พยัญชนะมันก็บอกในพยัญชนะมันก็บอกสมาทหะนี่เป็นความหนุ่มอยู่เสมอท้าหะนี่แปลว่าหนุ่มสมาสมะนี่แปลว่าเสมอมีความหนุ่มต่อเนื่องกันอยู่อย่าแกนะคุณประโยชน์นี่ก็อย่าแกต้องหนุ่มอยู่เสมอนะหนุ่มหนุ่มนี่มีเรี่ยวแรงมีประสิทธิภาพ แข็งขันเป็นคนหนุ่มอย่างโยมเปลี่ยนนี่ย่าแก่นะหนุ่มอยู่เสมอนะแค่ว่าคล่องว่องไวไม่ใช่เหมือนกับคนแก่โ อ, อ้จะตายจะเป็นอะไรเงี้หนังนั่นหนา อ, อย่างนี้เรียกว่าแกอย่างโยมตาเงี้ยอย่าแก่นะโยมตาต้องหนุ่มอยู่เสมอเสมอสมาทางให้หนุ่มอยู่เสมอคล่วคล่งองปราดเปรียว คุณนะสมบัติของคนแก่เราลืมซะได้ก็ลืมเลยทิ้งซะได้ทิ้งเลยแต่ก็ระวังล่ะเดี๋ยวสังขารมันก็แก่แล้วแล้วก็จะเป็นหนุ่มแล้วยังไม่ยอมแก่อยู่เสมอเสมอเกินการนักไม่เข้าใจสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีอ่ามันผุมันพังแล้วก็ยังจะทําเป็นหนุ่มอยู่หักเปะเลยตาย แต่น้ำใจเนี่ยถ้าใจคนเรามันดีนะมั น, ม, นมันก็ยังช่วยได้ถ้าใจมันไม่เอาก่อนแล้วนะออเสาะตัวเองนะฉันแก่แล้วโถอายุเพิ่งจะสามสิบแก่แล้วตายไว้คนนี้นะชี้หน้าได้เลยตายไวก็อายุสามสิบมันบอกตัวเองแก่แล้วนี่มันจะเป็นยั่งยืนอะไรแล้วแต่ถ้าคนอายุเจ็ดสิบเราอกฉันยังหนุ่มสมาทาง ระวังมันมันจะแอคอาร์ตมากไปก็ตายไวเหมือนกันแต่ถ้าไม่แอคอาร์ตมากไปก็ยังพยายามปรับปรุงอยู่ยังออกกําลังกายนะแข็งแรงจะตายช้ายังแข็งแรงออกกําลังกายไม่เงาะแงะไม่อ้อแอตตัวเองนักเครื่องมันจะหยุดแล้วเราก็ขยันมันขึ้นมันก็เป็นไปเหมืนก็เป็นไปมันก็ต่อได้เครื่องมันจะหยุดแล้วก็ยิ่งหยุดมันส่งไปเลยทีฝังได้เลยจะยากอะไรนีสัจจานะฟังดูดีๆมันเป็นเรื่องสัจจ สมาธัหงแข็งแรงทำให้มีสมาธิสมาธิก็คือมันเป็น ส, สภาพเป็นอย่างนั้นอยู่เสมอเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่แปรปรวนเราไม่สัดสายเราไม่เคลื่อนเปลี่ยนเราไม่ปรับไปปรับปบ ล, ะละแหละละแหละไม่ใช่เสี่ยงแท้มั่นคงสมาธิสมาธิาห้างอยู่อย่างนั้นแน่นเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นคนอยู่อย่างนี้เหมือนคนไม่แก่เลยเออคนนี้มาเห็นเมือม่อไรเมื่อไรก็ไม่แก่เลย ใครเขาทักเราอย่างนี้นั่นแหละเราสมาตะฮั่งอย่างหมอสุพลมาถึงท่านไม่เปลี่ยนเลยหน่อยเอาอยาไมาให้เรากินแท้ๆยังบอกเราไม่เปลี่ย น, น <c oughs> หมอที่เขามาตี่ใหม่มาตรวจเมื่อไม่กี่วันถามว่าท่านไม่เปลี่ยนบอกแก่ลงไปเยอะแล้วไม่แก่แล้วครับ ไ, ไปเท้าความทั้งไงเราก็โอ้โหเคยซื้อรถยนต์ก็แก่คันหนึ่งตอนนั้นสกอดามาใหม่ๆ ลืมชื่อบริษัทแล้วอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันก็ล้มไปแล้วบริษัท น, น, นั้นมันเป็นเอเจนขาย s ก o ดาสก o d านี่รถคอมนิดนะรถเชโกสโลวาเกียรุ่นแรกเลยมาแล้วเราก็ไปเออมันก็ดีเหมือนกันเน้อาซื้อก็ซื้อคันก็ซื้อคุณโสพลแกนี่แกก็ซื้อมาคันทงจากแก่ไม่ได้เรื่องใช้ก็ไม่ได้เรื่องแกก็ใช้ไป แล้วก็ให้เข้าไปนีเรื่องเก่าแล้วก็มาพืฟื้นมาเคยรู้จักกันอย่างง่นอย่างนี้ก็เคยแกเองแกเป็นคนแกท้าวความว่าที่รู้จักแกก็แกเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็เลยเคยเอามาออกรายการโทรทัศน์ในเรื่องสัตว์แกก็เคยมาออกก็บอกว่ารู้จักกันจําได้เป็นเพื่อนกันอะไรเราก็บอกเอ้มันก็เป็นเพื่อนช่วงไหนตอนไหนเรื่องอะไรที่เคยสัมพันธ์กันก็มาพลื้อฟื้น ก, ก็พอจําได้แต่ว่าก็ ไม่ละเอียดแล้วมันลืมลืมมันวางเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็เข้าใจเขารู้อย่างนี้ก็ยกตัวอย่างเป็นต้นในฟังว่าคำว่าไม่แก่หรือคำว่านุ่มอยู่มันก็อาจจะมีอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นแกนที่เราเอาอันนั้นเป็นเครื่องชี้ว่านุ่มไม่ได้หมายความว่าสังขารสังขารร่างกายมันไม่นุ่มหลอกมันแกจริงแต่สิ่งที่ยังยังย่งยืนหรือสิ่งที่ยังเสมอเขาอาจจะเอาความ เป็นผู้ที่เอางานอาการอยู่อย่างเก่าเป็นแกนเมื่อก่อนนี้ก็เห็นคนเป็นคนเอางานอาการเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นคนเอางานอาการอยู่อย่างเก่าโอ้ก็อยู่อย่างเก่ายัางหนุ่มอยู่เสมอถ้านยังหนุ่มอยู่เลย ไ, ม, ไ ม, ม่แก่อาก็ถูกถ้าจะเอาอันนั้ น, นะว่าเรามีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระของเราไม่เปลี่ยนแปลงแม้เราจะแก่ด้วยสังขรารร่างกายแต่เราก็ยังมีแก่นสารมีพฤติกรรมวิริยารำพะมีอาการที่น่าเดือมใส มีความไม่สะสมเป็นแก่นสารยังนุ่มอยู่สมาทาั่งอยู่เสมอยังเป็นสมาธิยังตั้งมั่นอยู่ได้วความขยันอยู่ตั้งมั่นอยู่ได้วความไม่สะสมแม้จะเป็นพระอายุพรรษาการตั้งมากแล h, กว้วก็ยังเป็นผู้ที่ไม่สะสมเป็นผู้ที่มีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้มีทุตตะมีทุดดงเป็นผู้ที่มีสันเลขาเป็นผู้ที่มี สันโดษมีอภิชฌามีสุปโปสะสุภระเราก็มีวันณะอยู่อย่างเกา่าโอวันณะท่านยังคงมัน่นวันณะท่านยังเป็นสมาทาหัง่งวันณะท่านยังผ่องใสวันณะท่านยังคงคงที่เป็นสมาทาหัง่งและท่านก็เป็นผู้ปล่อยอยู่ปล่อยอยู่วีโมทจะยัง ถึงแม้เราจะเป็นผู้มั่นคงอย่างนี้ด้วยสาระแก่นสารเราก็ไม่หลงสาระแก่นสารนี้ว่าเป็นของเราเราไม่ได้หลงว่าแกนสารนี้ก็เป็นของเราทำปล่อยทำปล่อยพิโมดจะยังมีเนื้อหาสาระนี้ก็ยังทาปล่อยทำปล่อยทำปล่อย นี่เนื้อหาของอาณาปานสติขยายพิสดารให้คุณฟังคุณเข้าใจไหมถ้าคุณเข้าใจคุณพึงสร้างพฤติกรรมนี้ให้แก่ตนทั้งใจและกายถ้ามันเป็นแล้วมันลงตัวคุณก็เป็นมนุษย์ประเสริฐมนุษย์สบายเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างนีน้อันนี้ก็ได้สาธยายถึงเนื้อหาสาระของธรรมะต่างๆให้ฟัง อิงหลักอิงธรรมเอามาสัมพันธ์กันทําความขยายซึ่งกันและกันสอดร้อยไม่คานแยงกันคําสอนพระพุทธเจ้าไม่คานแยงกันสนับสนุนกันสอดร้อยกันยิ่งก็มาลัยมาลัยชนิดพิเศษมาลายร้อยสีมาลายร้อยแฉกไม่คานกันมีร้อยแฉกพันแฉกก็ไม่คานกันมีร้อยสีพันสีก็ไม่กัดกันสนับสนุนกันให้งามพร้อม สุนทรีสุนทรีงามสุนทรีนี่ไม่ใช่คารมไม่ใช่ภาษาพูดหวานๆโกโกไม่ใช่เรื่องพูดเล่นพูดหัวเป็นภาษาที่ให้คุณสื่อรู้สื่อให้คุณไปสู่สาระนั้นแล้วคุณก็พยายามรู้แล้วก็ปฏิบัติประพฤติไปวันคืนของเราก็สบาย เรามีชีวิตเรารู้แล้วอะไรลดละไปได้อะไรเป็นมายาเอาออกแล้วเราก็มีแก่นสารไปชีวิตหนึ่ง mm hmm. เดินไปสู่ลุมฝังศพอัตมาอยากอายุยืนอีซักแหมอยู่ ไ, ยได้ซักห้าสิขณะนี้47่สิบละอยู่อีกห้ปีเกจตายไม่ดีมันจะสมาธาหั่งอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้แล้วมันจะตั้งมั่นอย่างนั้นหรือไม่ไม่รู้และเมื่อเกาสินี้มันจะยังหนุ่มอย่างนั้นหรือไม่ยังไม่รู้เลย ดีนะอยู่สบายสบายเป็นมนุษย์มนุษย์อีกซัมพลเป็นมนุษย์ตัวอย่างเป็นมนุษย์เอ็กซมเิลเป็นมนุษย์แซมเพิลแซมเิลไปถึงขนาดนั้ น, นก็จะดีนี่ก็พูดไปโดยโวหารนะแท้จริงมันก็เป็นไปตามส่วนสมส่วนมันจะอยู่ได้นานก็ช่วยกันคุณช่วยอาตมาบ้างอาตมาช่วยคุณบ้าง มันก็อยู่ได้นานถ้ามันไม่ช่วยกันมันได้แต่ช่งแก่ไปละ่ะทับถมลงไปทับถมลงไปมันก็จมตายไม่กี่วันนะตายตายแงงแง่หรือไม่ต้องกลัวถ้าไม่ช่วยกันไม่ต่างคนต่างเออพัฒนากันไมปรับปรุงตนช่วยกันก็คือปรับปรุงตนเห็นสาระแก่นสารที่ถูกต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วเราก็พัฒนาตนช่วยกันไปเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นอย่างนี้นี่เป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างเป็นเบ้าเป็นพิมพ์เป็นเบ้าเป็นพิมพ์ที่ดีแล้วอาตมาเข้าใจและอาตมาเชื่อแน่ว่านี่เป็นแก่นสารนี่เป็นสาระของชีวิตเป็นทฤษฎีของพระสมานพรพุทธเจ้าที่ได้วางไว้เพื่อให้คนมาประพฤติตนมาหล่อล้อมตนให้เป็นอย่างนี้นะเราก็เราก็ค่อยว่ากัน ค่อยๆปะย้ำกันไปอีกอ่ะเอาละวันนี้พอ มีปัญหาถามกันว่าเราคนเราี่เกิดมาทําไมนะก็ตอบกันมามากนะอาตมาก็อยากจะเน้นอยากจะชี้พูดด้วยภาษาคนเนี่ยภาษาไทยไทยเนี่ยให้พวกเราได้ฟังเข้าไปอีกนะฟังเข้าจริงๆฟังลึกๆซึ้งๆเข้าไปเราจะเข้าใจนะฟังดีๆฟังเข้าไปไเรื่อยๆเราจะเข้าใจชัดๆ เ, เกิดมานี่นะเราได้ร่างกายมาเนี่ย ในร่างในกายมานีนเกิดมาแต่ละชาติแต่ละชาติเวียนวนมาเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราโง่นะเราเองเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าเราจะใช้ประโยชน์อะไรเราจะมีชีวิตโดยใช้ร่างกายนี่ไปโดยความไม่รู้นะ่ะเรียกว่าอวิชชาทุกชาติคนที่ได้ร่างกายมานะจะว่าโชคจะว่าเคราะ์จะว่าบาว่าบุญอะไรก็ตามใจเธอได้ร่างกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วแล้วใช้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เนี่ยบางคนได้ร่างกายเป็นมนุษย์มานี่มีสมองฉลาดเฉลียวด้วยนะ ฉลาดเฉลียวมากนะมีความสามารถมีความฉลาดเฉลียวมากแต่เสร็จแล้วได้ร่างกายที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆได้สมองดีๆได้ความสามารถมากๆเนี่ยเอาไปทําชั่วเอาไปทําบาปทําเวรเอาไปท ำ, ปท ำ, ททำนรกบอกไม่ไปทั้งชาติน่าเสียดายน่าเสียดายร่างกายร่างกายเราเนี่เกิดขึ้น แล้วก็โตขึ้นจนแข็งแรงเต็มที่มีเรียวมีแรงแข็งแรงมีมันสมองเต็มสภาพที่จะใช้งานคิดนึกได้เต็มสภาพเป็นคนที่จะค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาแล้วก็มาแข็งแรงเสร็จแล้วมันก็จะเสื่อมไปเกิดเครื่องต้นอยู่แล้วมันก็จะเวียนแก่เท่าแล้วก็จะตายไปในช่วระยะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละที่มันตั้งอยู่นี่แหละเราไม่ได้นึกได้คิดเนะี่ย แล้วก็ไประเริงกับโลกที่เขาหลอกล่อ ก, กันอยู่มากห น, หนาสากันก็ในช่วงที่มันมีกําลังแข็งแรงนี่แหละเด็กๆ ก, ก็สนุกเฮฮาลหลงไหลได้ปลื้มไปกับตามภาษาเด็กๆ ก, ก็ไร้คุณไร้ค่าแต่เอาเถอะเด็กมันก็ยังไม่ภาษานะักอะไรอะไรก็ยังมัน ย, ยังไม่เต็มสภาพจะทํางานทําการจะทั้งคิดทั้งนึกใช้สมรรถภาพในความสามารถในตัวเราก็ยังไม่เต็มที่นะักก็เท่านั้นละ่ะ ต่อเมื่อโตโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วราจะใช้ได้ประโยชน์มากทีเดียวถ้าเพื่อฉลาดแต่ถ้าไม่ฉลาดก็จะได้โทษมากทีเดียวเกิดมาเป็นคนได้ร่างในกายมาเป็นคนพระพุทธเจ้าท่าได้เรียกว่าโมคะมุรุษเป็นคนศูนย์เปล่าคือได้ร่างในกายเนี่ยได้ได้ชีวิตร่างกายเนี่ยได้อุปกรณ์ของชีวิตมาเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้ให้มันเกิดคุณค่ามันศูนย์เปล่าอย่างน่าเสียดาย ที่ว่าศูนย์เปล่าไม่ใช่ศูนย์เปล่าธรรมดาได้นะถ้าอาวิชชาแล้วงวงๆเงาๆใช้ร่างกายนี้สร้างบาปสร้างเวทให้แก่ตัวเองไปทั้งชาติทั้งๆ ท, ที่เกิดมาทําไมที่อาตมาถามเกิดมาเพื่อจะใช้ร่างใช้กายนี้เนี่ยมันเกิดมาแล้วมันก็จะตายไปในกลับหนึ่งประมาณร้อยปีเป็นอย่างยิ่งว่างเงินนะในสมัยนี้ที่จริงไม่ถึงในยุคนี้ไม่ถึงร้อยปีหรอกได้ร่างในกายนี้มาแล้วเนี่ย นอกจากไม่ทำให้มันได้รับประโยชน์ตามที่เกิดมาควรจะเป็นคือได้อุปกรณ์ได้องค่าพยพที่มีร่างกายมันสมองฝีมืออะไรต่างๆที่จะสร้างบุญกุศลสร้างสิ่งที่ดีล้างกิเลสละกิเลสแล้วก็สร้างคุณธรรมอะไรดีๆให้ได้ปราดเขาพยายามพาให้คนมีกุศลมีบุญมีประโยชน์ ปาฏเอกขนาดพระพุทธเจ้านี่นอกจากจะมีบุญมีกุศลแล้วยังไม่พ อ, อยังสามารถมีกุศลมีบุญในชนิดที่เราว่าสูงส่งทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวกรรมกรรมจะสั่งสมกรบมัสกลมหิกรรมทายาโทเราจะมีมรดกสืบทอดต่อต่อเนื่องไปเนี่ยก็อาศัยร่างชีวิตแต่ละกับแต่ละช่วงแต่ละข่าวที่เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยได้แต่ละชีวิตชาตินึงชาตินึงก็ได้สั่งสมกรรมวิบากได้ล้างกิเลสไป ถ้าผู้ใดฉลาดผู้ใดได้พบสิ่งที่ดีได้พบพระพุทธเจ้าได้พบพระพุศาสนาได้ศึกษาธรรมะเข้ากระแสมันก็จะเอ็เอียงไปหาปรินิพานเข้าไปหาสิ่งสูงสุดสิ่งประเสริฐสุดของมนุษย์ที่จะพึงได้แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ได้พบปาาริ์ที่ดีๆบ้างกับพาทำดีสร้างกุศลก็ยังเป็นสภาพที่ดีบ้างปาฏิหรือว่ า, าศาสดาหล า, หลายองค์ท่านก็รู้จักกิเลสเหมือนกัน ก็พาลดละกิเลสไปตามปภาษาที่ท่านเองเข้าใจท่านก็พาให้ลดละกิเลส ต, ต่างๆนาน า, น า, นานไปได้บ้างแต่มันก็มันเที่ยงแท้แน่นอนยากนีของพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนถึงขั้นถึงขีดที่ท่านตราวไว้เลยว่าเมื่อถึงได้เข้าขั้นรอบๆหนึ่ก็เรียกว่าโสดาบันเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะถึงนิพพานเป็นที่สุดถ้ายังไม่ถึงขั้นรอบอย่างที่ว่าพุทธเจ้าท่านก็ไม่รับรอง ไม่รับรองว่ามันจะมีคุณธรรมทางจิตวิญญาณที่มีปัญญามีญาณที่ชัดเด่นชัดแน่ว่าคนเรานี่จะต้องไปสู่ความประเสริฐปรินิพพานเป็นคุณค่าสูงสุดเป็นคนที่จะเกิดมาได้ร่างในขันนี้จะเกิดมาอีกเมื่อไรก็ได้ถ้าเผื่อว่าได้นิพพานชั้นชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายหรือชั้นสูงสุดขนาดไหนก็ตามถ้าเรายังรักที่จะเกิดมาจะใช้ร่างกายนี้ให้เป็นคุณค่าในโลกอีก เราก็ทำํำเราก็ใช้ได้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ที่มันจะยังสร้างกุศลอะไรให้แก่สังคมมนุษยชาติแม้แต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ได้นะจากที่อาตมาได้อธิบายฝังแล้วจะมีอรหัตคุณจะมีกุศลขนาดไหนถ้าเราจะยังไม่หยุดเกิดเราจะมีวิภาวะพบเราจะมีวิภาวะตัณหาเพื่อที่จะรังสรรค์อะไรต่อไปแล้วมีหลักประกันจริงๆก็ย่อมได้นะ อย่าไปพึงบอกว่าอรหันต์แล้วจะเป็นผู้ที่พ่อเป็นพระอรหันต์เป็นพระขีนาสพแล้วจะต้องตายศูญตายพินาศตายไม่เกิดอีกพูดอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้นะอย่างที่เราได้ยืนยันหลักฐานในยมกสูตรที่พระพุธทธเจ้าตรัสไม่ใช่พระพุธทธเจ้าตรัสดอกเราพระภิกษุลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นแหละเอามาพูดแต่ว่าในพระเจ้าพิสดพดทึกเอาไว้นั้นไม่ใช่พระพุธทธเจ้าตรัสทีเดียวภาษารีบุตรเป็นผู้รับรองเป็นผู้ที่ยืนยันอันนั้นเนี เพราะเขามาขอสรุปขอย้ำยให้พวกเราได้เข้าใจเือว่ายาประมาทนะคนได้ร่างได้ขันมาเนี่ยนะได้มาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเกิดมาแล้วก็โตหนุ่มแน่นมีเรียวมีแรงแข็งขันเพราะฉะนั้นต้องมีสำนึกให้ดีนะว่าเราจะใช้มันให้ได้ประโยชน์อย่างไรกรรมเท่านั้นแหะเป็นของแท้กรรมสัจจะกรรมนิยมมีวิบากกรรมเท่านั้นเน่เป็นสมบัติคนไม่มีอะไรเป็นสมบัตินะมีวิบากกรรมเป็นสมบัตินะ มีกรรมน่ะเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าทํากุศลก็เป็นกุศลถ้าทาอกุศลก็เป็นอกุศลเป็นสมบัติไม่มีอะไรอื่นเป็นไรายได้จะอาศัยองค์ประกอบวัตถุรูปอะไรก็แล้วแต่ในโลกก็อาศัยมันได้แต่อาศัยแล้วอาศัยไปทําชั่วอาศัยแล้วอาศัยอาศัยไปทําสร้างอกุศลเข้าไปอีกก็แย่กันพอดีคนมีเงินมากเงินน้อยสร้างกุศลสร้างอกุศลได้ทั้งนั้นมีเงินมากก็ทําชั่วได้ทําชั่วได้มากๆเอาด้วย เพราะเป็นริดเป็นแรงให้เราทําชั่วด้วยเงินนี่แหละทําชั่วได้มากๆด้วยแล้วจะไปเข้ายาอเพราะมาเรียนรู้กุศลอกุศลให้มันชัดเจนแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยที่มันยังไม่ตายแล้วก็มันยังไม่แก่เนี่ยเพราะแก่แล้วแล้วแม่จะทำโน่นทํานี่ก็ยากนะเพราะใครยิ่งมาเจอไม้งาเมื่อขวานมันบินมันจนจะไม่ไหวแล้วเนี่ยเอาละพากเพียนไปแต่ยังให้กระดูกขาดกระดูกผุล่ะมันแก่แล้วก็เกิน แม่มีไฟแรงเกินไปนั่งไปีด็กก็จะแย่แต่ต้องรู้นั่นต้องฟังดีๆจะเกิดกี่ชาติก็ตามเถอะถ้าเราได้ร่างในขันมาเป็นมนุษย์นี่มันประเสริฐแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรับรองว่าประเสริฐนักคนได้ร่างกายมาเป็นมนุษย์นี่มันเป็นบุญนักหนาแล้วถ้ายิ่งเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาด้วยยิ่งเป็นบุญมากมายยิ่งได้พบพระพุทธศาสนาแล้วใส่ใจตั้งใจเงี่ยหูฟังสดตั้งสดสดับ แล้วก็พยายามศึกษาพยายามปฏิบัติประพฤติให้เจริญได้จริงๆนะให้ประพฤติให้ได้เจริญของใครของมันมันก็จะไม่สูญเปล่าที่ได้ร่างกายมาอายุก็ประมาณไล่เลี่ยกันนะ่ะถ้ามันไม่มีวิบากมากมายก็ไม่ตายก่อนก็ในราวนะั่นแหละกลับนึงก็ประมาณร้อยปีทุกวันนี้ร้อยปีก็หายากมันก็สั้นลงทุกทีแหละเพราะวิบากมันก็เป็นอย่างนั้นนะ ยุคสมัยมันก็เป็นเวียนวนไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งสั้นลงสั้นลงและช่วระยะที่เราได้อายุได้มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราไม่เฉลียวฉลาดนะเราก็จะสูญเปล่าไม่ได้สิ่งที่ดีไม่ได้รูปนามขันห้าที่ได้มานี่จะมันจะได้สร้างสิ่งที่ดีมันไม่ได้ใช้ให้สร้างสิ่งที่ดีให้ได้สะสมวิบากที่ดี ไม่มีกรรมสโกมหิกรรมทายาโทที่ดีไม่ได้มรดกที่ดีติดตัวไปติดสภาพของเราไปมันเสียเปล่าถ้าถึงเรื่อโมคาบุรุษฟังคําว่าโมคาบุรุษนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นมันสูญเปล่าเสียดายนะ่าเสียดายเพราะฉะนั้นอย่าให้เสียโอกาสอย่าให้เสียขณะที่พระพุทธเจ้าท่านเร่งรัดให้ทาําขณะทุกขณะให้เจริญอย่าไปปล่อยเปล่าอย่าไปทําให้เสียขณะ แต่ละขณะทั้งศึกษาปริยัตปฏิบัติเข้าไปนะ่ให้เกิดปฏิเวทําให้เกิดการบรรลุให้มันเกิดมรรคเกิดผลเข้าไปทุกทีมีสติพยายามไม่เคร่งเครียดจนเกินการแต่ก็พยายามที่จะทําของเราไปให้สมสักสมส่วนของเราให้มันจเจริญให้มันได้มรรคได้ผลให้มีสัมโพธชงให้มีองค์แห่งการตรัสรู้คิดดีๆสิคุณคิดดูคุณจะเกิดมาคุณจะทําอะไรคุณจะเอาอะไร โลกกพาเป็นโลกียะมันก็เป็นอยู่เราเห็นเรารู้เราก็เคยเป็นมาทั้งนั้นอแล้วลองเทียบโดยสา ม, มันสำนึกจริงๆซึ่งว่ามันมันหน้ามันน่าไปสั่งสมกันนักเหรอแต่อย่างที่โลกโลกเาพาสั่งสมนะถ้าย่างที่อาตมาว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะและได้เรียนรู้แน่ใจพระพุทธเจ้าพาสอนอะไรพาเอาอะไรทรัพย์ที่พระพุทธเจ้าท่านพาให้พวกเรามาสั่งสมนะ มาสร้างเป็นของตนเป็นมรดกของตนที่จะรับมรดกของตนไปนี่ท่านพาให้มาสร้างนี่ท่านพามาสร้างอะไรอาตมาว่าอาตมาเข้าใจแล้วอาตมาว่าอาตมาเห็นจริงนะรักพยายามจุ้มจี้จำชัยปากเปียกปากแฉะเร่งรัดจะงงนอย่างนี้อ่อใครจะเกลียดหน้ามั่งชังหน้ามั่งก็ตามใจใครไม่เกลียดไม่ชังก็ดีไปอา่าใครเห็นว่าเราปรารถนาดีจําจี้จำชัยติเตียนว่ากล่าวเร่งรัดเอาเอา่าว่ากันอยู่นั่นแหละ เร่งกันอยู่นั่นแหละใคาจะว่าก็ว่าแต่ตมาว่าตามาไม่ได้มีเจตนาร้ายนะมีเจตนาดีพยายามที่จะเตือนกันเสมอขนาดเตือนกันอย่างนี้มันก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เลยขาดตกบกพร่องสติตกเลอะเทอะไปผีดึงเอาไปเราไปเป็นแบบผีพีกันไปเผลอๆตัวโอ้โหไปตั้งหลายวันผีเอาไปกินตั้งหลายวันก็จะรู้สึกตัวโอ้แย่เลย มื่อในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยช่วระยะวันหนึ่งรอบวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยถ้าเราไม่มีสัมโพธชงสติตกวันวันหนึ่งได้มีสติเท่าไรามีธรรมวิจัยมีวิริยะได้ภาคเพียนสั่งสมบุญที่แท้จริงได้มากเป็นไม่เท่าไหร่เรายังไม่ค่อยรู้ตัวเลยไม่ค่อยได้มาตรวจบัญชีพอสิ้นเดือนสิ้นวันก็พยายามบอกนะว่าเอ า, เอางบดุนดูพอตกเย็นหรือว่าก่อนนอนอะไรก็พยายาม ทบทวนดูสิวันนี้ทั้งวันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมามีสติประโยชน์ตั้งถึงนอนหลับหรือไม่ยิงจะระลึกในตอนหลับได้ก็ยิ่งดีเราได้ทําอะไรทําอะไรมาบ้างตั้งแต่คิดพูดการกระทําประจําวันมาเลยเนี่ยเป็นวันเป็นวันเนี่ยกายกรรมวจีกรรมโนกรรมของเรากระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผัรษะต่างๆนานาแล้วเนี่ย เราได้รู้สึกตัวขนาดไหนและเราได้เพียรในพยายามมีสติพยายามได้สั่งสมสังกับปะวาจากัมมันตะอาชีวะเราได้สั่งสมได้พยายามทาให้มันดีขึ้นขนาดไหนสังวรกายวาจาใจผัสสะมันจะทำให้เราเกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารมันมีผัสสะแล้วมันก็รู้สึกยังง้นยังนี้ไม่รู้เท่าทัาน ทุกขเวทนาทุกขเวทนาที่เป็นโลกียะเพราะมันไม่ได้สมใจหรือว่าเรารู้เท่าทันเออไ อ, อ้ทุกอย่างนี้อย่ามาเล่นงานเราเลยแบบนี้ทุกขเวทนาแบบเนี้ยเราตั้งอกตั้งใจสู้สู้เลยมันจะลวงเราไปหาสุ ข, ขเวทนาแบบโลกียะเราก็เปลี่ยนแล้วก็พยายามแก้เป็นเนคคัมมะธมนัตก็ยังเป็นยังดีเราสู้มัน้วยธมนัตเว ท, น, ทนาก็ยังดี แม้จะเป็นโทมนานัก็เป็นเนกขมมะพยายามออกจากโลกออกจากกามออกจากโลกียะพยายามแก้กลับอย่าไปหลงที่จะไปหลงติดอเดอร่อยได้ปลื้มแบบโลกียะมันพยายามจับตัวกิเลสพยายามดูอาการลิงคณิมิตต่างๆของมันให้จริงทําไปอย่างที่มีการปฏิบัติในตัวมีการรู้สึกตัวทั่วพร้อมและปฏิบัติไปเสมอ เสร็จแล้วเราก็รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ได้ปรับกายกรรมสู่กุศลดีขึ้นอย่างไรไม่ดีอย่างไรดีและทำได้เท่าไรเท่าไรทำจริงๆชีวิตเราก็จะได้ไม่สูญเปล่ามันน่าเสียดายที่เกิดมาแล้วก็ใช้ชีวิตไปสมฤต เ, เมาหรือเป็นไปในโลกียะนี่ตายทิ้งตายเผาไปตั้งเท่าไรคนในโลกโมฆะตายทิ้งตายเผากันไปเปล่า เอาละเขาไม่รู้เขาไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยได้พบมันเป็นบาปเป็นเวรของเขาทั้งๆ ท, ที่เราก็เผยแพร่ไปกระจายไปต้องการจะให้ทั่วถึงมือคนให้คนได้รับรู้ได้รับสัมผัสว่าธรรมะเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้ ท, ท, ทั้งที่เป็นพุทธศาสนิกชนเรียนผิดทางสแสวงบุญนอกขอบเขตพุทธกันถมถืดเราก็พยายามเตือนเข้าบอกเขา ถ้าเขาโง่เขาฟังเหมือนกันแต่เขาเห็นว่าอันนี้ไม่จริงก็แล้วไปก็เป็นโมฆะของเขาอยู่เองถ้าเขาฟังแล้วรู้แล้วไม่เอารู้ว่าดีนะแต่ไม่เอานี่สิมันน่าเสียดายไอคนไม่ได้ยินได้ฟังเลยเอาละก็แล้วไปทํามันสุดวิสัยเนาะมันไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยมันไม่ถึงกันเลยนะบุญมันไกลมันห่างเลยเกินไม่ได้รับเราก็พยายามเผยแพร่ไปสัพัดไปก็ไม่ได้รับไอคนได้รับแล้วมันก็ไม่มีบุญนะ ปัญญามันไม่พ อ, อศึกษายัางไงยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจมันบังคับกันไม่ได้นะมันน่าเห็นใจเมือนะอันนี้บังคับให้คนฉลาดบังคับให้คนรู้ปรมัตธรรมให้รู้ของจริงพวกนี้มันบังคับไม่ได้จริง